จเจริญพรท่านสาวธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมการสนทนาธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านใดสนใจนี่อยากจะเข้ามาถามคำถามก็เชิญเข้ามาได้วันนี้เราจะไปที่คุณ อะไรก่อนวันนี้คุณเหงเข้ามาก่อนอะไรคุณเหงิกสวัสดีค่ะพระอาจารย์เป็นยังไง <c oughs> ตอนนี้ก็มีฝึกปฏิบัตินั่งขัดสมาธิเพชนะคะพระอาจารย์ก็มีช่วงฝึกมาประมาณสิบวันแ ล, วแล้วเจ้าค่ะ ช่วงแรกๆยมรู้สึกมีเวทนามากแบบปวดมากเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะเวทนาเริ่มเริ่มเริ่มน้อยลงไปแล้วเจ้าค่ะก็ตอนนี้ก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้านั่งท่าเนี้ยมันจะมันจะเวทนาแล้วมันก็จะมีความความความเจ็บปวดอะคะ่ะพระอาจารย์ทีนี้จะถามพระอาจารย์ว่า ถ้าเราฝึกแบบเนี้ยมันบางครั้งมันก็ปวดขาแล้วก็มีความเจ็บอย่างเงี้ยเราควรจะฝึกท่านั่งเนี่ยมันเกี่ยวไหมคะคือโยมก็เลยว่าอ่ามีฝึกแบบถ้าขัดสมาธิเพชรสามสิบนาทีแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเจ็บไม่ไหวยงก็เปลี่ยนมาเป็นนั่งสมาธิแบบธรรมดาค่ะไม่ได้เป็นขัดเพชรเจ้าค่ะ อ, อ๋อไม่จําเป็นจะนั่งสมาธิขัดเพชรหรอกนั่งสมาธิธรรมดาก็ใช้ได้เจ้าค่ะ ทางสายเทราวาลังนี้ไม่ไม่นิยมนั่งขัดสมาธิเพชรกันนั่งแบบขวาทับซ้ายอ๋อเจ้าค่ะพอดีว่ายางคิดว่าถ้าทำแบบนี้มันจะเห็นเวทนามากขึ้นไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวแล้วนั่งแบบนั้นเดี๋ยวมันก็เห็นนั่งปัญญามั น, น, นก็เจ็บขึ้นมานโออเจ้าค่ะอืมแต่ยันนั่งก็ไม่ไม่ว่าเลยอยากจะนั่งขัดสมาธิเพชร ก, ก็ทำได้แต่โดย ทัวไปแล้วถ้าที่เห็นภาพครูบาอาจารย์ถ่ายรูปกันก็ไม่มีใครนั่งขัดสมาธิเพชรกันนะเจ้าค่ะมันทําได้แต่ว่าจริงๆมันมันเจ็บอะค่ะมันเจ็บขามันแบบสลีระคือขามันพอมันขัดกันเนี่ยโยมก็รู้สึกว่ามันร่างกายมันค่อนข้างค่อนข้างจะผิดสลีระเหมือนกันนะคะอรู้สึกจะเป็นของทางมหายานโยมท่านนั่งเนี่ยทางเทรว่าเรานี่ยเรานั่งขัดสมาธิแบบขวาทับซ้ายเจ้าค่ะ แต่นั่งไปนานเข้ามาก็ปวดเหมือนกันแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ไม่ปวดตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้านั่งขัดสมาธินี่มันอาจจะมันมันก็แล้วแต่คนเลยครับถ้าไม่เคยนั่งมาก่อนมันจะรู้สึกมันจะจะยากจะเจ็บมากว่าแต่ถ้าคนที่เขาเคยนั่งมันก็มันก็ใช้มันก็ไม่เจ็บอะมันก็เป็นปกติไปแล้วแต่แล้วแต่จะเลือกนั่งแบบไหนก็ได้ เจ้าค่ะ ม, มันมันมันมีเวทนาก็คือมันจะมีร่างกายที่เจ็บปวดคราวนี้จิตอ่ะที่ยมเคยนั่งธรรมดาเนี่ยจิตมันมันรวมได้ง่ายเร็วกว่าแต่พอเรานั่งขัดเพชรเนี่ยแรกๆรยอมยมรวมจิตไม่ได้เลยในเวลาเท่ากันนะคะคือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มโอเคเริ่มเริ่มชินแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยอมก็เลยมาถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วถ้านั่งขัดเพชรเนี่ยมันทําให้เราเหมือนแบบตาบะเราแก่ก้าขึ้นไหมความเพียรเราเพิ่มขึ้นไหมแต่ถ้าคิดว่า มันทรมานเปล่าเปาแล้วนั่งธรรมดาอย่างนี้ไปก็ก็ได้ก็จะได้ปฏิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่ะอ๋อมันแล้วแต่ว่าเราต้องการจะนั่งเพื่ออะไรถ้าเรานั่งเพื่อต้องการจะผ่านทุกขเวทนามันก็ต้องเจอทุกขเวทนาไม่ว่าจะอยู่ในท่าไห น, แ ล, นแล้วแต่เรามันมันมันนั่งมันมีหลายหลายหลยหลายแบบ ทานต้องการนั่งเพื่อให้จิตสงบเนี่ยไม่ก็มีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์แล้วก็ไม่ไปรับรู้กับเรื่องอะไรต่างๆให้จิตสงบถ้าจิตมปนสงบเร็วมันก็จะไม่มันก็ไม่เจอทุกขเวทนาแต่ถ้ามันจิตมันสงบช้ามันนาน จ, จะไม่ไม่ไม่สงบนั่งไปนานทุกขเวทนาเกิดขึ้นก่อนก็ได้อันนั้นก็ต้อง ต้องใช้สติให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะผ่านทุกขเวทนานั้นไปให้ได้มันก็แล้วแต่แล้วแต่เวลาแต่ละคนนั่งบางคนสติดีจิตสงบเร็วบางทีก็ไม่เจอเวทนานบางคนนั่งแล้วสติไม่ค่อยดีนั่งไปสักพักก็เวทนานก็โผล่ขึ้นมานะก็ต้องยอมแพ้หรือต้องพยายามสร้างเสริมสติให้มีขึ้นม า, มากขึ้นบริกรรม พูดโทให้ถี่ขึ้นอะไรให้มันต่อเนื่องมากขึ้นไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องอาการของเวทนาอันนี้มันก็แล้วแต่แต่แต่มันก็ต้องผ่านเวทนาไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจอทุกการเวทนากันทุกคนคือโยมคิดว่าโยมมีเวลาแค่สูตรว่าสามสิบนาทีใช่ไหมคะพระคุณเจ้าโยมคิดว่านิยมก็เล่งด้วยการนั่งขัดสมาธิ ที่ไปลเลยมันจะได้เห็นเวทนาเร็วๆอย่างเงี้ยพระคุณเจา้าก็ได้แล้วแต่อยากจะเห็นเวทนาเร็วๆก็นั่งแบบที่มันเจ็บเร็วแล้วก็แล้วก็มันก็ต้องใช้สติมากกว่าปกติเพื่อที่จะข่มใจไม่ให้ไปทุกข์กับเวทนาเพื่อให้มันปล่อยวางเวทนาเจ้าค่ะจะลองปรับปรับดูเจ้าค่ะขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะเอาใจนะ ค่ะ ข, ขอบพระคุณเจค่ะโอเคโอเคเมื่อกี้เห็นเด็กชายนัคุณก็ามาหายไปแล้วเลยหลุดไปแล้วนึกว่าอยู่ห้องนี่นะะนคุณโดเกียวนักคุณมียล่าอ๋ออยู่นี่นอ๋าา อ, าาอนักคุณอายใล้วอาจารย์นคุณอ้ากจ่าพระอาจารย์ก่อนลูกหลุดไปแล้วเมื่อกีนี้เห็นเข้ามาแล้วปุ๊บหายไปค่ะพระอาจารย์ กรลาบ น, นมาสักการตัวค่ะใช่คะกราบนามาสักการครับผมหนูมีอะไรบอกพนักงานว่หนูจะไปไทยบาบอกพนกาั่นนั่นอกจจะบบจ ะ, จ ะ, จะพูดดีดสิลงุงใ่ครับบอกว่าไงครับอจะหนูอยากจะบอกอะไรเหรอคะอือว่า ว่งว่างนอนแล้วค่ะอ๋อว่างนอนเลยเราไปนอนน่นละสี่ทุ่มกว่าอาจารครที่ที่โตเกียวเขาที่ญี่ปุ่นเขี่ญี่ปุ่นเขามีเรื่อนเวลาะไม่มีไม่มีค่ะอาจารย์ตลอดทั้งปีนะอ่ะลูกไปค่ะอาจารย์อไปจะไปตรงนู้นี่ใหรอไปลิฟวิ่งใช่หรอค่ะโอเคแม่ไม่อยากใั้เราเออตั้งแต ตั้งแต่มีเวทนาค่ะพระอาจารย์เกือบเดือนละปฏิบัติทุกวันแล้วก็สามารถชนะเวทนามันได้แล้วค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ขั้นต้นใช่ไหมคะมันหายหายปวดไปแล้วค่ะพระอาจารย์ปวดแบบไหนนั่งจนปวดกายและปวดใจปวดกายค่ะ<ว>ก็ปล่อยให้มันที่พระอาจารย์อบอกว่าปล่อย่างกายกับใจมันคนละส่วนใช่ไหมคะก็ปล่อยจนจนมันก็ ปวดแล้วมันก็เราก็ไม่ได้ไปสนใจมันไม่ได้ไปโฟ ก, กัสมันมันก็หายไปเองค่ะพระอาจารย์อย่ า, าไปถูกกับมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วดปวดศีรษะปวดท้องเป็นโรคอะไรก็พยายามสอนใจว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายใจไม่ได้เป็นใจก็พยายามเฉยเฉยอยู่กับมันไปค่ะพระอาจารย์แบบรู้สึกว่าโชคดีจริงๆเลยค่ะพระอาจารย์ที่ได้ธรรมโอสถรักษาไปเอ็มออมา อก็ไม่ได้ไปฟังผลเอ็มไออาร์ค่ะเพราะว่ามันมันมันหายรู้สึกว่าเออมันก็หายเองเวลาเราทนสู้กับมันได้เดี๋ยวมันก็หายไปเองไม่ได้ทานยาอะไรใช้ธรรมมารักษาไปมันโอเคมากเลยค่ะ ถ, ถ้าปฏิบัติได้คส่วนใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดค่ะพระอาจารย์ทีแรกว่ามันจะไม่ไหวเลยนะคะมันเหมือนมีทิ่มเลยค่ะพระอาจารย์แบบเกิดไปปวดขนาดนี้อะค่ะ มันมจะเสร็จขนาดไหนก็รู้ไปรู้จะไปเฉยๆมัน ก, มนก็มันก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ที่ยังไม่สามารถประคองใจได้ <c oughs> ตลอดนี่ก็คือเวลามีโมหะโทสะเข้ามาเนี่ยค่ะยังยังไม่สามารถที่จะทนได้ทุกครั้งมีบางครั้งที่ทนไม่ไหวก็มีปฏิกิริยาโต้อตอดหรือว่าใจขุ่นงัวบุ้บซุบจังใจใช่ไหมหมายถึงซุบจังใจอืม <c oughs> <c oughs> มัในหายใจก็มันก็เร็วกว่าแล้วมัน <c oughs> มันยากกว่าก็ต้องฝึกไปฝลไปล ด, ดละความอยากแล้วมันจะไม่ค่อยทุกความทุกข์มีอะก็อากความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็ได้ก็จะทุกข์ี่เจะขอบค่ณพระอาจารย์ต้องทําใช้ การที่จะระงับโมหะโทสะนี้ช่ปัญญาใช่อนิจจทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นจตั้งอยู่แล้วก็ดับไปห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเอาเราเปรียบเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้คํานินทาทาอะไรที่มันเข้าไปแล้วก็เป็นคิดว่าเป็นเสียงเฉยๆไปเสียงนกเรามงนไ่เริ่ม อาจารใจมันก็ยังกับเรื่อมกับเรื่อมอยู่นะคะว่าไมอา่อย่ากอย่าให้เขาพูดดีไม่อยากเขาินทาค<ะ>่ะอืมจะพยายามต่อไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ต่อไปก็ต่อไปก็ย้อนสอนมันเลยอยากให้มันอยากให้เขาินทาแล้วว่าเขาทินทาจะจะดีใจโอ้วันนี้สมใจอยากได้อะไรก็ได้ังใจอยาก อ, อ๋อค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้ โดนนินทากี่ครั้งเข้ า, าทาเกีตครั้งไหม <c oughs> พอเราอยากได้นะแล้วเร า, เราได้นนที่เราอยากมันก็มีความสุขไม่ใอ่ออาพระจันทร์เราต้องอยากะง <c oughs> ดูถ้อยากก็ด่าอยากก็ดอยากทั้งสองอย่างอยากก็ด่าได้อยากก็ชม็ได้ได้ทั้งงานสรรดยินดีตามใจตามเกิน <c oughs> อ๋อเหมือนเราตั้งธาเกตไว้วันนี้ถ้ามีคนด่าสองครั้งเท่ากับเราได้ทํากันบ้านสองครั้งเย่ตื่นมาเราแล้วดูสิว่าเราทําใจเฉยๆได้ไหมเราห้ามเขาไม่ได้เราก็แต่ละห้ามใจเราได้เราก็ต้องมาห้ามที่ใจเรานด้หนึ่งใจเขาละห้ามไม่ได้แต่ใจเราห้ามได้ใจเราห้ามไม่ทุกได้ค่ะอาจารตอนนี้สามารถเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องย่ากับพ่อของน้องอ่นะคะอืม จริงๆมันมีเหตุให้เรามีเอโบหโะโทตามากแต่ว่าที่พระอาจารย์เมตตาสอนมานะคะว่าอย่าไปหวังอย่าไปอยากได้อะไรได้ตามมีตามเกิดตามตามที่เราจะได้ก็เลยไม่คาดหวังนะค่ะปล่อย <ไป S 2> เลยทีนี้ปล่อยเลยสบายใจอืเขายังไงก็ได้ทั้งนั้นปล่อยเข้าไปปล่อยก็ว่ า, าก็จะทำอะไรก็เลยของเขไป ค่ะอันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากแล้วผิดชอบอะไรไม่เป็นไรก็เซ็นมาอย่างเดียวพร้อมที่จะจบแล้วไม่อยากจะความยาวสาาคําเน็ดแล้วแล้วบริษัทเขาส่งเป็นเ x p a t แดไปไทยค่ะพระอาจารย์กลางปีนี้ก็แบบอยู่ๆก็มาชื่อสอบอีกว่าโอ้ยอยู่ๆจะต้องมีโลเกตไปที่ไทยมันก็มี ตกใจนิดหน่อยอะนะคะแต่ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนะเาะแต่ก็ต้องรับมันให้ได้ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เขาส่งไปที่นั่นเราไม่ได้ไปกับเขาไม่ใช่ไปไปที่ไหนคะไปไทยเขาส่งเป็นเอ็กซ์แพดไปไทยอะคะ่ะไปอยู่ที่ไ ท, ไทยเราไม่ได้ไปกับเขาไม่ใช่เหรส่งหนูไปคะ่ะไปทํางานงที่ก็ดีได้เงินเดือนญี่ปุน่นกินเงินญี่ปุ่นมากกว่ากินเงิงนเดือนไทย แล้วก็ยังยังดีที่แบบว่าไปแบบเอ็กซ์แพไงฮะเขาก็ดูแลทุกอย่างแล้วดีแต่มันมีปัญหาตรงไหนล่ะคือตอนแรกมันก็มีความกังวลว่าเอ๊ะลูกจะอยู่ได้ไหมเราจะเปลี่ยนไปที่นู่นนแล้วจะทำงานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความกังวลแต่พอนึกถึงคำที่ว่าคำคาที่ท่าจันเคบอกว่าถ้าเราไม่คิดไม่เอามา อย่าไปกังวลเรื่องที่มันยังไม่เกิดใช่ไหมค dads, tamam. ะ, ะอืมอ่าก็ปล่อยไปบบบอะไรจะเกิดมาใก็้ๆเกิดอก็ดีค่ะนะจ๊ะตอนแรกถ้าถ้าสมมติว่าไม่ไม่มีธรรมะหรือว่าไม่มีเอ่อการฝึกสติมาก่อนคงตกใจว่าจะทำยังไงดีลูกโรงเรียนอยู่ที่นี่แล้วจะย้ายไปยังไงอะไรต่างๆนานา แต่พอคิดได้ก็ปล่อยมันไปก่อนอะไรที่ยังไม่เกิดเอาให้มันไปถึงตรงนั้นก่อนแล้วเราค่อยไปคิดว่าจะอยู่ยังไงจะทําอะไรต้องกลั บ, ค, <น>บคุณค<น>ทำมาคนถามว่าเ<อ>้าก็มาอยู่เมงไทยเขาก็มีเ้าก็เรียนโรงเรียนนานาชาติกันเยอะแยะไปไม่มีปัญหาเไยเด็กคือม่กลัวกังวลว่าแบบลูกไปคนเดียวไม่มีพ่อแล้วเขาจะขาดอะไรไหมอะไรไ คือมันกังวลไปตอนแรกนะคะแล้วก็ค่อยๆสติค่อยๆมาว่า อ, อย่าไปกังวลแทนรู่นเลยอกําลังบ้ากําลังบ้าใช่ค่ะไม่พุโทโธพุโทโธใช่มันมีมันมี แ, แ ว, ว็บก็ตอนนี้ไม่มีพ่อเขาก็อยู่ด้านนี้ค่ะจเราจะไปกังวลอะไรอีกจะพยายามค่ะมันจะมีบางบางแวบที่แบกบกังวลเกินไปค่ะ นะโอเคค่ะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณพระอาจารย์โอเคอ่าที่จะมาศรีญาติใช่ไหมยาติส่ง ก, รกัรบ้านเวลาจะสัการพระ<ข>อาจารย์ครับอ่ามาส่งกันบ้านใช่ไหมใช่ครับมามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้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 คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นน้ำจืดไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุก ค, นคันเถอดอย่าไหมนะนี่คือข้อสอบของเราคือความแก่ความเจ็บความตายครับต้องอย่าไปทุกข์กับมันนะถ้ายังแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเรายังได้ยังเด็กอยู่ไม่ต้องไปดูเวลาคนเขาแก่มันก็เจ็บเป็นยังไงครับ โอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแกนกระดูกม้าหัวใจตับทัองื่อไตบอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแกนในสมองศีชะน้ำดีน้ำชาเลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงอน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อดน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเดียวน้ำตาลน้ำข้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเส็ดน้ำดีเพื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตถังปืนตับหัวใจม้าเพื่อเล็กระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟัน คนผมร่างกายนี้น่าดูไห ม, ไมน่าดูไหมสวยงามไหมไ ม, ไม่สวยงาม ม, มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ไหมไม่มีครับโอเคอ่าย่าไปหลงนะอย่าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกาย Nope. เราอยู่ Welcome. เราอยู่โลกหนึ i, ่งก็อยู่ในโลกที่ใช no, ้อค no. ําสั่งมาบอกให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายอะนรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเราต้องเฉยๆเวลาเกิดอะไรกับร่างกายไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจครับครับอืม โอเคมีคำถามอะไรไหมวันนี้จะมารายงานการไปหาหมอฟันครับได้เลยก็คือปกติเวลาไปหาหมอฟันนะครับก็จะกลัวๆหน่อยครับแต่ครั้งเนี้ยก็คือไปแล้วก็ไม่กลัวเลยครับก็คือเหมือนแบคิดกับตัวเองว่าไปเถิดให้มันจบๆไปครับอ้วไม่กลัวอะไรเจ็บก็ไม่กลัวไม่ครับไปทําอะไรครั้งนี้ไปไปถอนฟันหรือเล่าแล้ว่าไปขูดหินปูน ไปกูดิดปน่ไครับอืมต้องฉีดยาช้าป่ะไม่ต้องครับนะอะืก็ไม่เจ็บนะเจ็บนิด น, นเดแค่เหมือนกับเหมืนกับโอนมดกัดโดนมดมดกัดเนี้ยอะนะ่เปิดไว่าความเจ็บของร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดมาแล้วนะมันต้องเจ็บนะหนี้ไม่พ้นความเจ็บเนี้ยเวลามันจะเจ็บก็ให้รู้เใช้ไปครับอืมไม่ต้องไปทุกกับมัน นี่นี่มากฝึกสมาธิเยอะๆเราจะเฉยได้คถ้านะไม่ฝึกสมาธิมันถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราเราบางทีมันใจก็ยังหมดที่จะไปเจ็บกับมันไม่ได้นะนี่เราฝึกสมาธิให้ใจใหยุด ใ, ใ, ใ, ให้ใจเน่างให้ใจเฉยๆอย่างนั่งสมาธิอยู่เป่าก็ยังนั่งอยู่เปล่าทุกเกิดหรือเปล่าทุกวันหรือเปล่าไม่ทุกวันเฉ อ่ทำไมนะกินข้าวยังกินได้ทุกวันนะทำไมานั่งสมาธินั่งทุกวันไม่ได้เล็นจบเล่นจบช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดเวลาจาจชุกขึ้นมานี่มันไม่มีอะไรจะมาดับมันได้นะถ้าไม่มีสมาธิโอเคนะอย่าประมาทได้ฝึกทำเยอะๆทาทุกวัน โอเคมีอะไรไหมมีคําถามเนี่ยครับเวลาที่อยากเล่นเกมมากๆทำเกมเช่นแบบเกมอัปเดตใหม่ออกมาครับแล้วก็อยากเล่นมากๆครับแล้วก็พูดโทรเอาไม่อยู่ครับควรทํายังไงครับอาจารย์ช่วยมีตาอธิบายให้หน่อยควรอย่าทำยังไงก็อย่าไปเล่นมันนะั่นาไง <c oughs> ครับ เ้าผู้ดถวาไม่อยู่แล้วแล้วแ เ, เราจะทํำยังไงเราไปเล่นเลย <Okay. S 1> เ, รเราเล่นก็เล่นสมไงได้่ะ <Okay. S 1> เราไม่ต้องเล่นเลยแล้ว เ, เราอยู่ครับไม่มีเกมเราไม่ต้องเล่นแล้วก็ไม่เดือดร้อน <Okay. S 1> อันนี้ต้องพยายามฝืนใจนะฝืนใจห้ามใจนะ อันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองอืออันนี้เราก็ไม่รู้จะตอบยังไงไม่น ะ, ะก็คิดถึงเวลาข้างหน้าเวลาที่อยากจะเล่นแล้วไม่ได้เล่นแล้ ว, ม, ลลวมันสุขด้วยทุกเวลาไม่ได้เล่นอืถ้าไม่มีความอยากเล่นมันก็จะไม่มันก็จะไม่ทุกเวลา ม, มีเกมใหม่ออกมาแล้วก็เฉยเฉยไป เดี๋ยวก็มีเกมใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องเล่นอยู่เรื่อยๆ อ, อ, อ, อันนี้ก็อยู่ที่ทก็บอกบอกแม่ต่อไปนี้ไม่ให้เงินเอาเงินไปซื้อเกมอะไรกันอบคเอาเงินไปทําบุญดีกว่าถ้าอยากเอาเงินไปซื้อเกมเอาเงินไปทําบุญดีกว่าแต่ครับไม่ต้องทําอย่างนี้ถึงยังนหยุดได้ มุกางอยากจะเล่นเกมของเงินแม่ไปซื้อเกมใหม่มาครับแม่บอกเอางินนี้ไปทำบุญก็แล้วกันโอเคนะเชิญกันโอเคท่านไปที่ตะวัน <liability> ต่อขอบพระคุณพระอาจารย์ครับตะวันกับคุณพ่อคุณพ่อจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนีครับพระอาจารย์ครับเอ่อพ่อพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้เดี๋ยวให้ต How are you? I'm good, thank you, a j a n How are you? Good. Good to see you. Welcome to our room. Thank you. Yes, I know that you normally do on Tuesday the English version. I'm just chaperoning my son today because my wife is in Thailand right now. I see. But you can ask any question if you like, also. I will let him ask first. <laughs> okay. <laughs> thank you, Ajahn. <laughs> เปหนึ่งคำถามครับมปลว่ามันอะไรเออกรรมเป็นอะไรครับอะไรนะกรรมกรรมกรรมปรากฏยังไงกรเออเออพูดเฉยละถ้าเราจอมปากมองกูเป็นกรรมกรรมเราออคือคำว่าทำทำกรรมคือการทำเป็นแปลว่า action เวลาเราทากรรมก็เคำว่ากรรมนี่มีสองสองความหมายในที่นี้หมายถึงบาปทําบาปทําบุญมีสองอย่างถ้ า, าทําบุญก็จะทําให้ใจเรามีความสุขถ้าทําบาปก็จะทําให้เราใจเรามีความทุกข์หรือไม่สบายใจเช่นนะไปขโมยของของคนอื่นมาเน้่แต่วันมีความสุขใจหรือมีความไม่สบายใจ เราไปขโมยของมนงมเดือดพอคนหนึ่งเขาเขารู้เขาจับเราได้เราก็จะเดือดนอนใช่ไมืมอย่าอย่าทาบาปทําแต่บุญทําแต่ความดีทําบุญง่ายมีขนมออก็เอาไปให้เพื่อนมีของอะไรที่เราไม่ใช้เรา ก, เ ก, ก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้เอาไปให้คนอื่นเขาคนที่เขาไม่มีเขาอยากได้เขาได้เขาไ ป, ไาไปทําแล้วเราจะมีความสุขใจเนี่ยทําบุญ อย่าไปขโมยของคนอื่นมาอย่าทำให้เราคนที่สูก ข, ขโมยเขาก็ไม่เขาก็ไม่สบายใจเขาเสียใจเราก็ไม่สบายใจเพราะเรารู้ว่าเราทำไม่ดีเข้าใจไหมยังคำว่าทำทําพื่อการกระทาบุ้สัจจะกระทำทำดีทำทาบุญก็เรียก ว, ว่าทำดีทำบาปก็เรียก ว, ว่าทำไม่ดี อย่าทำบาปอย่าทำไม่ดีให้ทำแต่ความดีทำแต่สิ่งที่ดีก็ใช่ครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีครับแค่ไปแม่ไปกี่วันนึงจะกลับเอ่อไม่รู้ใ น, นเออผมคิดสามสิบวันส า, ว, ว, นา ว, วันแม่ไปบวชนะแม่ไปบวชชีนยใช่ Yes, yeah. yeah. okay. s a uh, your wife go to become an anant birthday. Yes, yeah, she's in temple now with Rupusan. Yes, it's okay. the same temple okay. where um, he's building a big statue. And because he's getting older, she just wanted to have the opportunity to go to visit him once more. Okay. So she's very grateful for her dharma practice because of him. So mm -hmm. she wants to do merit there, and I'm supporting her, so that's also good merit for me. And I really wanted our son, our son and me to go there too, but unfortunately, it's very expensive to go to Thailand, so we were not able to go now. And we're hoping that at the end of the year we can go together as a family, so that again we can become monks again, because I really feel that that's the right path. I've been also doing a lot of d a v a practice. I started doing walking meditation too. And I'm noticing that I'm better now at, at, at observing what I'm feeling. Um, and I'm I'm at the point now, and this is my question: How do you prevent aversion towards life? So I see suffering, and I see suffering in everything now, even the even the joy moments. And and how do you shut that down and still try to function? That's my my main struggle right now. So if I'm at work and I see people chit chatting about All kinds of things. I feel a bit left out, and I don't know how I can still participate and at the same time not participate. So I'm worried that if I talk together with colleagues, that it's wrong speech, if you know what I mean. And yes. I try to prevent that from happening. So, so I, I'm noticing that that my mind wants to go in a different direction than what I'm doing in in the conventional life, and that's and it's sometimes difficult. Yes, uh, the way of the Buddha. Is different from the way of the world. The Buddha see that the world is full of suffering, and it's better to stay away from the world as much as possible. But our defilement still resist this way of the Buddha. We still we, we still like the way of the world, even though we it, it hurt it make us hurt. We still cannot live alone and live like the Buddha. Do meditation practice and be happy being alone. So the, this is a normal struggle for people when they when they starting to follow the Buddha's teaching, because it's totally against our our grain, our our character. Our character is we we like to to to meet people, to do things with people. Because when we are alone, we feel lonely. So we don't want to be alone. But if you follow the Buddha's teaching and you you can meditate and me, make your mind become calm, then when you're alone, you don't you won't feel lonely. You feel happy, and you feel when you compare to being alone and being with people, you find that being alone will be better for you. But it, that's the that's t h t h a t s the point. w h y you have to get to in order to appreciate the Buddha's teaching. So yeah. at least try to understand at first that this is the goal: is to to to to master your meditation, so that you can be happy when you are alone. Yes. But yeah. before you get to that point, you'll be fighting a, a lot against your own defilement. Who wants to who wants to have things to do with to do things with people? <laughs> so it's just a attack of war between the. Definement and uh, the will to go the way of the Buddha's way, and if you want to go to the the Buddha's way, you have to be very diligent in practicing mindfulness. and keep, Try to control your son as much as possible, and meditate as much as possible. This is mm -hmm. this is my main feeling, and it's also a fear I have that for me, when when I see my son and and I see. The teachings that he's now able to follow because of, for instance, you. That I'm, I'm very worried sometimes that I feel. Um, a r o you s a y n e g a t i v e towards being a father because I have the feeling that being a father is now keeping me from trying to become a monk, and I'm, I'm worried that that's bad karma for me because it's a negative feeling, and of mm -hmm. course I want the best for my son, but at the same time he's also the reason, in a way, for me that I'm not. Pursuing what I think I should pursue, and I think that's a very difficult feeling. I told But my son, "Well, the Buddha said that we should also develop uh, the four Brahma v i h a r a the the quality in which we deal with people: Metta, Karuna, Mudita, Upeka. When we have to deal with people, then we have to use Metta, which means loving kindness. You should show love of friendship." Friendliness to people. You should be kind, be nice to people, regardless of who they are. And if they need help, you should have show compassion. You should help them in whichever way you can. And if they if they are happy, they they are successful in their life. You should congratulate, be happy with them, and if, to them. If u something happen to them that there's nothing you can help them with, then you just have to use equanimity. Meaning, you just have to to not react to their suffering or to whatever they have to go through, because there's nothing you can do anything for them. If you can do something for them, do it. If it, but it's beyond your control, your ability to do, it, then you just have to to remain still. Mm -hmm. So this is what the Buddha said. We should develop if we have to deal with people. Like deal with your son, you should have love for him and don't let your interest, your personal interest, come come into conflict with your your your love for him. Yeah. yeah. So it depends on the situation. If you're alone, then you you don't have to use these four qualities. You just Do what you want to do for yourself, but when you're with somebody, with somebody, then you have to have them in in your consideration. What you should do for them, how should you behave, how should you react with them? Gotcha. Okay. Anything else? No, it's you said the right words. It's it's interesting. I, I listen to a lot of d h a m m a talks, and it's amazing how even if you re listen, you look, you learn more things. And I like that process. And I feel guilty sometimes for thinking that I regret making steps, and that's when I get worried about about bad karma. So I should not mm. look back. I should not hold on to the memories. I should just let them observe them and let them be. Yes. And I know that, that I I can't do that at this point yet. Try to focus on the present. Watch, watch your your action. What are you doing now? Which is more important than what you did? Because what you did, you could not go back and change them. Yeah. But you can change them now. If you if you doing something bad, if you gonna do something bad, then you should stop. Yeah. You'll so be mindful. If you're mindful, then you will be aware of the present. You'll be aware of your action in the present. What you what you h i n k i n g now? What you gonna say and what you gonna do? So okay. practice mindfulness, and you'll be in the present more than g o i n to the past or into the future. Thank you, j h Okay, I hope your wish will come true. I mean, as far as y o u know path toward the the goal of the Buddha's teaching. Okay. That be all for today. Yes, thank you very much. Okay. I'll go to the next person. Good morning, Mr. Chan. g d morning. Good morning. Good morning, Mr. Chan. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ก็การประชารอาจเป็นเพราะว่าเคยได้ฟังธํามเทศนาของพระอาจารย์มาทุกวันก็ทําให้พอคาดเดาในคําศัพท์บางคําที่ที่มีคุณเคยได้บ้างครับอืก็พอเข้าใจได้พระอาจารย์สำหรับวันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายชีวิตของมนุษย์เป็นเหมือนเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างสูงครับพระอาจารย์ คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นเครื่องมือเหมือนมีดซึ่งสามารถเอาไปใช้ทำประโยชน์ก็ได้หรือเอาไปทำโทษทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นก็ได้อยู่ที่ผู้ใช้มีดผู้ใช้ ม, ผช ม, ผชมีผู้ใช้น่างกายก็คือจิตของเราเนี่ยจิตที่เรามาครอบครองร่างกายถ้าเป็นจิต ด, ดีจิตก็จะใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าพาระหั่ตสาวกเนี่ย ถ้าไม่ทำถ้าไ ม, ไม่ไม่ทาร้ายทำอะไรก็ให้กับผู้อื่นไม่จดททำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นสอนธรรมะให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแ ต, แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีธรรมะคนที่ถูกโมหะอวิชชาอีเล่ตนันหางข้องามก็จะมากจหลงไปคิดว่าจะทำงานให้ให้กับตนเองเพียงอย่างเดียวไม่คิดถึง ว่าผู้เขาเจะเดือร้อนเสียหายทิศจากการกระทำของตนเองหรือไม่ก็มักจะไปทำให้สร้างความเสียหายให้กับผู้เป็นนะผู้นำที่ใจโหดร้ายในอดีตใช่ไหมก็นำพาประเทศให้ไปทำสงคารามแล้วก็ให้ไปก็เอาไปสร้างเวรสร้างกรรมใหฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันเหมือนเหมือนเป็นผัดเป็นปลา อันนี้ก็เพราะจิตใจเขาไม่มีธรรมะของจิตใจเขาฝ่ายต่าจิตใจถูกอนานาจกิเลสตนะัณหาดึงไปเนี่ยร่างกายมันเป็นเครื่องมือได้ได้ทั้งสองทางเอาไปทำคุณประโยชน์ก็ได้เอาไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็ได้เราถึงมีคนมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วเราศึกษาในประวัติศาสตร์มาคนชั่วก็มีเยอะ มันดีก็มีอยู่เยอะก็อยู่ที่ว่าจิตใจของเขามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะเขาก็จะรู้ว่าการไปเบียดเบียนผู้อื่นการไปทำร้ายผู้อื่นนี่มันได้ไม่คุ้มเสีย mm hmm. การไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นกลับได้มากกว่าเสีย mm hmm. ถึ่ไม่จะเสียสิ่งที่เสียบางอย่างเช่นเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเขาให้เขาอยู่สุข ส, ขส บ, บายสิ่งที่เราได้ก็คือจิตใจที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นที่มีความสุขมากขึ้นอันนี้เขาจะมองไม่เห็นก็จะมองไม่เห็นจิตใจความหลงจะมองให้เขาเห็นแต่ร่างกายเราก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบสนองความอยากของเขาผ่านทางร่างกาย การมีธรรมะนี่สําคัญมากถ้าไม่มีธรรมะ ก, ก็จะถูกความหลงหลอกให้เราแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเราเองแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขให้กับตัวเราเองเดยไม่คำนึกว่าพูดเขาจะเดือดร้อนจากการกระทําของเราหรือไม่เราเจะไม่ค่อยสนใจกับการที่จะช่วยเหลือผู้เวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน วจะเป็นคนใจแค่จะเป็นคนใจเห็นแก่ตัวแต่การการะทาเหล่านี้ทำให้จิตใจเขาทุกข์มากโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวว่ามันเกิดจากการกระทาของเขาเองการพยายามใช้ร่างกายของเราให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ทําตามแนวทางที่พระเจ้าสอน ย่อสอนในวาระสุดท้ายก่อนจะจากโลกไปว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปจงยังประโยชน์ของเราและของผู้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทให้คิดถึงการทางประโยชน์เื้องต้นการทำประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะให้หลุดพ้นจากความทุกข์นานๆจะได้มีธรรมะให้เรามาศึกษากัน ชาติก่อนหรือชาติต่อไปอาจจะไม่มีธรรมะมาสอนเราก็ได้การนี้เป็นชาติที่มีธรรมะให้เรารีบตังตรงประโยชน์จากธรรมะด้วยการปฏิบัติตามคำสอนเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อเราหลุดพ้นจากความทุกแล้วถ้าเรายังมีเวลาเหลืออยู่ยังไม่ตายก็สอนธรรมะให้แก่ผู้ให้เขได้หลุดพ้นต่อไป <c oughs> นี่คือการใช้ร่างกายให้เกิดคนเกิดประโยชน์ ทั้งกับตัวลราและทั้งกับผู้อราสนาพุทธนี่ไม่ได้สอนให้ไปเบียดเบียนลาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่มีแต่ความเมตตาให้คนไม่ไม่เบียดเบียนกันไม่ให้ทําทําร้ายกันให้อาภัยกันให้ช่วยเหลือกันให้ดูแลกันทำงานจะได้เจอ คำสอนนี้สักครั้งในการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนต่อครั้งต่อไปศาสนาพูทกา้าจะหมดเนี่ยมันหมดมาครึ่งทางมานยครึ่งทางกว่าแล้วสองวันพระเจ้าอยู่ได้ประมาณสักห้าพันปีนะคราหน้าการมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่มีคําสอนอยู่ในโลกนี้แล้วก็จะเป็นยุค ข, ของความมืดบอดทุกคนก็ทําไปตามอํานาจกิเลสตะนะต่อไป ยกเว้นพวกที่เคได้ทําบุญทําความดีมาก่อนนั้นก็อาจจะมีนิสัยความอยากจะทําความดีฝังอยู่ในใจก็จะไปทําความดีต่อแต่อา จ, จะไม่มีใครมาคอยเตือนคอยสอนอยู่บ่อยๆเหมือนตอน น, อ น, นี้ตอนนี้เรามีศาสนาคอยเตือนคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆพอ <c oughs> จะมาสิครับขอบคุณครับอาจารย์ ไปที่ท่านต่อไปคุณทิติมาเห็นยังไงใช้ทางกายไปนทางไหนดีทางกิเลสดีทางธรรมดีทางธรรมค่ะพระอาจารย์ทางธรรมนะไปทางศีลแปดใช่ไหมทางกายทางศีลแปดวันนี้ถึสิบค่ะโอเคะย์เขาจะนัดการแย่งไงนะคะไม่มีคำถามค่ะคุณศาสตรการ ใช่น่ามาฟังธรรมครับอาจารย์ให้มีคำขามค่ะค่ะสบายดีนะสบายดีคะ่ะสง บ, <ะ>สบดีนะสง บ, บดีคะ่ะโอเค่ะเอ็ก็ไปที่นาร า, า ท, ทิวาต่อคุณอุษากับคุณเสยาแม่ลูก น, น, ก า, นามัสการขรบอาจารย์ นกัพอาจารย์คะเจอตอนนี้พยายามฝึกที่จะไม่ไม่ไม่ออกเพราะว่าปกติลึกๆเพิ่งมารู้ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมนะคะ่ะว่าจริงๆเลึกๆ ก, ก, ก็ชอบชอบขับรถเล่นชอบเที่ยวชอบขับรถชมวิวอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็เรื่องอาหารนะคะพระอาจารย์กย็ตอนนี้พยายามแบบไม่ออกไปซื้อของไกลๆอ่ะคะ่ะเอาที่มีแบบมี ใกล้ๆบ้านค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่เท่าที่ลองทําด้วยค่ะไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาค่ะมันพอสักสองสัปดาห์มันจะรู้สึกเครียดแล้วค่ะพระอาจารย์เลยแล้วจะจ ะ, จะไม่ทํานะคะแต่ว่านอนไม่หลับแล้วค่ะพระอาจารย์เลยตอนนี้เลยพยายามผ่อนเป็นแบบอาทิตย์ละสองครั้งที่ให้ทําตามใจบ้างพอจะได้ไหมคะพระอาจารย์เพราะ คือตามใจทำตามใจมันทำได้แต่มันมันเกิดโวษมากกว่าเกิดคุณนะต้องนึกถึงผลที่จะตามมาเพราะมันมันกลับไปการเสพยาเสพติดดีๆแน่เสพรูปเสียงกลิ่นรสเสพแล้วก็จะติดแล้วมันก็จะติดไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพมันก็หงุดหงิดน้ำคาญใจแต่เราคิดว่าเราเอาเวลาที่เราจะไปเสพสิ่งอันนี้มาปฏิบัติทำดีกว่าอือย่าทิ้งการปฏิบัติ เอาเวลาที่เราจะไปเที่ยวนี่มาน่งสมาธิดีกว่าพยายามฝืนพยายามดึงเอาเวลาที่เราจะไปใช้ให้กับกิเลสเอามาให้กับการปฏิบัติทําให้มากที่สุดทำได้ะมากได้กิเลสอย่าไปอย่าไปผ่อนปลนมันยิ่งขวัญมันก็ยิ่งเดี๋ยวมันก็ขอมากกว่านี้อันนี้ได้สองสองวันจวต่อไปก็ขอสี่วันห้าวัน เด่๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองพยายามดูค่ะอาจารย์ต้องต้องต้องเอาเวลามาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ยังไม่มีกําลังที่จะสู้กับมันอ่าใช่ <ขอ S 1> มันมาเร่งร้อนมันก็ใจใจอ่อนไปนะงต้อ ง, ต, องต้องพยายามปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นยึที่เราจะสามารถเอาชนะมันได้เพียงแต่ทําด้วยด้วยความตั้งใจอย่างเดียวมันไม่พอหรอกอที่กําลังที่จะสู้กับมันมันไม่ไหวใช่ไหม ใช่ค่ะพอดีมันได้กําลังจากการมาอยู่วัดมาอยู่วัดสอนทิศมันก็เลยมีกําลังเยอะหน่อยพอกลับไปบ้านใหม่ๆก็เหมือนกับเหมือนเหมือนคนทิศเสกใหม่ยังแคงอยู่ก็ี่ยเวลาสักพักมันอ่อนนะหมดกําลังมากค่ะบางทีพอจะคิดถึงปฏิกูลณพอรู้ว่าพอคิดแล้วมันหายอะค่ะกิเลสก็สู้อะไรอย่าคิดอย่าคิดมันแบบ แล้วมันปะทะกันรุนแรงนะคะเพราะจาพระพอรู้ว่าหายอะค่ะพราะจาญญาะมันเน <c oughs> ี่ยสติหมนกําลังท่านสู้กิเลสไม่ไหวค่ะแล้วก็ท่านนั่งนิดๆมันไม่ชีวิตคารวะมันไม่เหมาะต่มจริงๆค่ะที่จะไปสู้ไม่มันไม่มีทางจริงหนูเห็นแล้วคะ่ะตั้งแต่พอไปต้องไปเปียกๆต้องไปอยู่ปัฏิบันเติใช่ค่ะไม่พอไม่พอจริงๆค่ะเพราะมัน ถูกข้ามน้อมด้วยฆ่าศึกศัตรูรอบตัวเหมือนโลเสียงกยิรลด์มันเต็มไปหมดทั้งทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านไปไหนก็มีแต่ฆ่าศึกศัรตรูไม่มีธรรมะเลยในในสังคมทางทางโลกรอบตัวมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นเลยูลเสียงกิรลด์โยโยนกลนใจป้ายโฆษณาก็ขนมเอะไอะไรเต็มไปหมดเดินไปไหนก็มีแต่ของยวดใจอัใจไม่มีของอะไรที่จะให้เรา เบื่อหน่ายนะใช่ค่ะมีแต่ไฟหมดเลยค่ะพระอาจารย์นะพระเจ้าบอกรูปเสียงกินรสเป็นไฟไฟที่จฟไปไฟที่เกิดจากความโลกไฟที่เกิดจากความโกรธไฟที่เกิดจากความโง่พยายามปิดวิเวงหนีหนีสิ่งเหล่านี้ออกจากวงล้อมของกิเลสของข้าศึกสัตว์ ไปอยู่ที่ปลอดภัยไปอยู่ตามป่าตามเขาตามวัดยนะังไม่ค่อยมีของมายุ่ยโยนกลัวใจจะทำให้เรามีกำลังมีเวลาที่จะได้ปฏิบัติทำได้มากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเวลาออกไปเจอใหม่ๆ ม, มันมีกำลังสู้ได้สบายอยนะ่าี้ยมันเหมือนเติมน้มันเต็มถังอย่างเงี้ยแต่ขับไปแ่พักเอาน้ามันหมดแล้วต้องกลับมาแล้วนะ ถ้ากำลังหัวแล้นแสดงว่ญญาต้องกลัมาปิกวิเว์ใหม่แล้วใช่ไหม <c oughs> อยู่ต่อไปเดี๋ยวก็ถูกมันกินเลอะกินหมดนะเดีย๋ยจะพยายามแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมองหาสถานที่ปิกวิเว์ใกล้ๆอราใกล้ลกลๆแถวบ้านก็ได้ไม่ต้องอมาไกลหรอแล้วค่อยเข้าสูมมาขอคำแนะนําจากพระอาจารย์อีกทีนึ่นงหรือทําบ้านเรานี้เป็นห้องก็ได้ขังตัวเราเป็น ทำห้องอปวปล่าแล้วก็อยู่ในห้องนั้นไม่มีอะไรไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสอะไร้นะทำห้องว่างๆเหมือนกับห้องที่เราไปอยู่ที่วัดเนี่ยไม่ต้องมีอะไรนอนกับพื้นผููเสื่อนอนจัดห้องทั้งห้องไม่ได้หห้องว่างๆมีข้าวม่ของให้ ข, ข, ข, ข, ขนออกไปให้หมดเลยแล้วก็แบบว่าเบถืออะไร เ, เี้ก็คือเข้าไปในนั้นไปเลยใช่ไหมกินข้าวเสร็จมานั้นแล้วก็หมดแลไม่ออกมาะออื ยดินโยงกมนั่งสมาธิในห้องนั่นเลยถ้ามีหนังสือธรรมะเอาหนังสือธรรมะไปอ่านก็ได้เดี๋ยวลองไม่ต้องไปใกลหรอสมาธินี้ถ้าอยากจะสบายก็ติดเครื่องป่าวประกาศก็ได้จะได้ไม่มีเสียงเข้ามารบกวนแต่ราวมันจะไปติดเท่านั้น <c oughs> แต่เบื้องต้นถ้าเราอยากจะปรีวบเวทก็ทำอย่างนั้นไปก่อน ก, นก็ได้ไม่ต้องไปหาวัดอยู่หรอกสมัยที่เราปฏิบัติเราก็อยู่บ้านคนเดียวเราไม่ได้ยู่งกใครเรก็ปฏิบัติํานำไม่ต้องไปวัดไม่เคยเข้าวัดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปอยู่วัดเลยไม่เคยเข้าวัดไม่รู้ว่าเข้าวัดทำอะไรเราก็ทาทาบ้านที่ที่เราอยู่เป็นที่ปฏิบัติ ขอบพระคุณสภากันไม่มีคาถามค่ะนะโอเคนะนะเราต้องปรับปรับสภาพนะะสร้างความวิเวกของเราได้ในบ้านเราก็สามารถทําให้เป็นที่วิเวกได้นะตามห้องปิดเสียงปิดอะไรไม่รับรูกเสียงกินรสใช้เข้าไปเพราะนันติดคุกนะจนะบอกกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็ไม่รับประทานนะวันเดียวมื้อเดียวพร้อม มีแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวพอแล้วแนั้นถ้าอยาจะให้มันมากกว่านั้นก็ให้มันบอกเขาให้มันนั่งเก้าอี้อยู่เก้าอี้แล้วก็ไม่ให้มันลุกไปจากเก้าอี้นั่งไปหลายหายชั่วโมงหนึ่งซึ่ ง, งความอยากมันต้องทำอะไรให้นั่งเฉยๆสบายๆทำไมทํำไมนั่งไม่ได้ก็ลองนั่งสักหกชั่วโมงหนึ่งนั่งที่เก้าอี้สบายๆ ไม่ต้ทําอะไรสู้กับความยากทํานั่งแล้วเมื่อยก็ให้ยืนลุกขึ้นมายืนอย่าให้ไม่ให้เดินไปเดินไปไหนมาไหนให้ยืนอยู่ตรงนั้นเแต่หายเมื่อยยืนแล้วเมื่อย ก, ก็กลับมานั่งใหม่นั่งก็ยืนยกเว้นว่าท่านต้องเข้าห้องน้ําก็ไปห้องน้ำํำเอาอน้ําเสร็จก็รีบกลับเข้ามานั่งที่เดิมต่อไม่ให้ทําอะไรสักหกชั่วโมงดยเนี่ยสู้กับความอยากแบบนี้อ ทักสู้ได้มัจะมีความีกำลังที่จะสู้กับความอยากทำนู่นทำนี่อยากจะกินนู่นกินนี่ได้สบายเลยขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ไม่รับปากแน่นอนขอบพระคุณเดี๋ยวโกหกนะคะพระอาจารย์ไม่กล้าแต่พยยามแต่พยายามค่ะพระอาจารย์ แบบกลัวทําไม่ได้แล้วใช่อันนี้ก็ไม่ล<า>ังครับหรา อ, อันนี้อันนี้บอกแนวทางเฉยๆอย่างไม่ต้องไปทำหรอกนี่แหลบอกแนวทางไว้แล้ววิธีปฏิบัตินันมันจําเป็นจะต้องไปไหวก็ได้ที่บ้านเรานี่แหละได้ค่ะท้ายการขอบคุณค่ะอคุณแม่มีอะไรไมอืมตอนนี้คือแบบโยมสุขภาพยังไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่โยมก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มสงสัยว่า ยมป่วยจริงหรือโยมโดนกิเลสหลอกเริ่มสงสัยวันเนี้ค่ะเพราะยอม ย, มยมุเพราะว่าตอนนี้ยมมีภาวะเลือกจางใช่ไหมคะแล้วมันจะเพลีย mm hmm. เพลียแบบเดินแล้วก็เพลียแต่ก็ขับรถก็เพิ่งจะขับตรงสามวันที่ยมสงสัยว่า น, นี่เราป่วยจริงหรือว่าเราโดนกิเลสหลอกกําลังสงสัยค่ะอาจารย์สงสัยวันนี้เนว่าทาไมเรายังเพลีย อ, ยอยู่อีกทําไมเรายังไม่แข็งแรงมันผิดปกติแล้วก็กลายเป็นว่ากินข้าว ตอนแรกก็กินแค่เช้ากับเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าจะกินยาตอนนี้พอตอนเ ท, ที่ยงเที่งเริ่มเริ่มมียมว่าโดนน่าจะโดนกิเลสหลอกค่ะจั mm hmm. ย์ดยยมจะลองจะลองอดอาหารดูวันพระก่อนคะ่ะเอาสิบแปดวันพระก่อน mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เหมือนว่ายังต้องฟื้นฟูร่างกายอยู่อะคะ่ะ mm hmm. ยังยังรู้สึกว่าตัวเองยังเดินไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังสงสัยว่าป่วยจริงหรือว่าโดนกิเลสหลอกแค่นี้กําลังสงสัยวันนี้ยคะ่ะน mm ี hmm. ่ น่าจะถูกหลอกมากกว่ามั้งยมยอมว่าทาไมมันป่วยนาะนเป็นสิบกว่าวันแล้วทาไมยังป่วยอยู่แล้วก็คือแบบตอนนี้สวดมนต์คือนั่งนั่งขัดสมาธิแล้วสวดไม่ไม่ก้มกราบอะค่ะกราบแล้วหัวมันจะทิ่มก็นั่งนั่งสวดมนต์นั่งขัดสมาธิแล้วก็สวดมนต์เอาแบบนั้นแหละคะ่ะแล้วก็ใช้วิธีการอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอะค่ะอาจารย์ดค่ะส่วนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกลูกว่าให้ทําป็นห้องเป็นเป็นห้อง จริงๆที่บ้านมีสามห้องเขาก็อยู่ของเขาห้องหนึ่งข้างหลังที่เห็นนี่คือห้องพระสามห้องค่ะทำได้อยู่ค่ะ ท, ที่บ้านค่อนข้างจะเงียบเพราะว่าจะไม่ยุ่งกับใครมีบริเวณสำหรับเดินจงกรมอะไรได้อยู่ค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าบ้านเราเป็นอำเภอเล็กๆค่ะอาจารย์ของกินมันจะค่อนข้างยากต้องออกไปหาข้างนอกค่ะแบบนั้นกินทานม่ตามเกิน <c oughs> ข้าวุงน้ำปลาก็อร่อย ไมเชียงหลังอด้าวทั้งสองสามันเลยมีข้าเปล่าคุกน้ําป ล, า, า, ปลานี่ก็อร่อยแล้วเขากลับมาบอกว่าตอนที่ไปวิเวกรอบนี้ไม่มีอะไรกินเอาน้ําปลามาแตะแตะลิน้นพอมันอดแล้วอะไรก็อร่อยไปหมดค่ะเอาน้ําปลามาแตะแบบเอ็นออดูค่ะแต่โยมก็เดี๋ยวจะลองทดสอบตัวเองว่ากิเละหรือเปล่าจะลองออกไปเดินแต่ตอนนี้คือออกมาเดินจงกลมหน้าบ้านนะคะพยายามพยายามอยู่กําลังสงสัยตัวเองว่า ที่เละหรือว่าป่วยจริงๆอ่ะคือมันไม่ต้องเดินก็ได้ถ้าเดินไม่ได้ก็นั่งนั่งสมาธิไปยืนสมาธิไปก็ได้ถ้ายังเดินไม่ได้ใช้สองอิริยาบถก็ได้ค่ะจ ะ, จะพยายามเพราะที่บ้านตอนกลางคืนพอสติหนึ่งติสองออกไปเดินได้อยู่ค่ะเงียบดี่เพราะการปฏิบัติโดยหลักมันอยู่ที่สติเป็นหลักถ้าเดินแล้วไม่มีสติก็เหมือนก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ดี ถ้า<ะ><ะ>เรา<ะ><ะ>เรา<ะ>มีสติไม่ว่าจะอยูอย่ในท่าไหนก็ถือว่าเราได้ปฏิบัตนะินั่งแบบมีสติก็ได้ปฏิบัติยืนแบบมีสติก็ได้ปฏิบัติทำอะไรทำด้วยสติมีสติมันก็ได้ปฏิบัตินะตัวปฏิบัติก็คือตัวสติเนี่ยไม่ใช่ตัวร่างกายไม่ใช่ตัวเอเรียบุตร ถ้าเป็นโยยาบุตรคนก็าก็เดินเคลื่อนไหวกันเขาต้องเขาก็ต้องบรรลุธรรกันไปหมดไดนะ้ใช่ไหมแต่ก็เดินเขาทาอะไรด้วยการไม่มีสติปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาคิดเรื่องนูเง้เรื่องนี้ไปอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่มีสติแล้วคนมีสติจะไม่จะให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุทธโธเงี้ยไม่ว่าจะอยู่ในรยยาบใุใดไม่ว่าจะทําอะไรก็ค อ, อยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่อย ขาดทุนอาจารย์ตอนนี้ก็น้องนํามาปฏิบัติอยู่ตลอดอะค่ะอาจารย์ดีอย่าเสียอย่าเสียอย่าเสียชาติเกิดนะเกิดมาแล้วเนี่ยคําของอาจารย์ไม่ได้ประโยชน์นี่ก็ถือว่าขาดทุนนะค่ะคําของอาจารย์ที่บอกโยมอย่าให้เสียชาติเกิดมันอยู่ในสมองตลอดอย่าให้เสียชาติเกิดค่ะสาธุอาจารย์อาจารย์ิเวศที่สุดเนะค่ะโยมจะพยายามเก็บให้มากที่สุดอาจารย์ โอเคสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าไปที่คุณยายกับลูกคุณหลานสันโดษบรรยกาศกับอาจารย์เป็นไงคุณยายแข็งแรงดีนะวันนี้แข็ก็เหมือนเดิมค่ะก็พออยู่ได้ค่ะอ่ะยินดีตามยินามเกิดเลยคุณยายอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปนะอ่าไม่ต้องไป <c oughs> ไม่ต้องไปเสียได้น้ำลายมันต้องอต้องทึ้งมันวันใดวันหนึ่ง อ่ะยายรับรับรู้ค่ะโอชาบอกปล่อยวางร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะอุปัสมสุโคอืออะถึงเวลามันจะไปก็ปล่อยไปอย่าไปยื้อย่าไปดึงมันเลยไม่เสียดายไม่ใช่ของเราค่ะยายมันมันคิดถึงอยู่ค่ะอยังอย่างเล็กถึงอยู่ค่ะอปล่อยปล่อยด้วยการบริกรรพุทโธพุทโธพุทโธไป อยายชันทุกวันเลยคขาไปอ่าจะอยู่ยังเป็นสุขไปยังเป็นสุขครับอาจารย์อันนี้มาส่งกันบ้านครับมาส่งกันบ้านท่านอาจารย์แต่ขอขอถามคําถามก่อนครับท่านอาจารย์คืออาทิตย์ก่อนที่ท่านอาจารย์บอกว่าผมต้องอาราธนาคุณยายบ่อยๆคุณยายจะได้เอออยากอยู่กับลูกหลาน อันนี้มีวิดีโอหนึ่งที่เคยเห็นนานแล้วที่มีภาพรูปหนึ่งตอนนั้นที่ท่านไปอาราธนาหลวงตาะมาให้ท่านอยู่กับการตั้งกับต้องกันและเสร็จแล้วท่านเครี้ยงพารผมก็เลยจะถามว่าอันนั้นคือท่านท่านไม่ยอมอยู่เพราะว่าเหมือนไปอาราธนาผิดเวลาหรือเปล่าครับท่านอาจารย์หรือว่าอย่างไงครับไม่ทราบเหมือนกันในเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านก็ อ้าเราวิเคราะห์ดูว่าไปขอให้ท่านอยู่แบบไม่มีเหตุไม่มีผลกลับเป็นการมันอยู่ได้ที่ไหนเนาะ yeah. แล้วอีกอย่างหนึง่งคนที่ไปขอให้ท่านอยู่แล้ไม่ได้มีกไม่มีส่วนการไปดูแลรับใช้ท่านไปขอทําไม่ย <Yeah. S 2> right? ขอก็ต้องไปทําหน้าที่ดูแลอุปทานอุปถานท่านเองข อ, อย่แบบขอแบบปากปล่าขอไปแล้วก็ไม่ได้มี การกระทำอะไรมาสนับสนุนการขออย่างอย่างเสมอว่าสนโดษต้องดูแลคุณยายอย่างเงี้ยเราสัญญาสันโดษว่ายินดีดูแลคุณยายไปนานๆตอนคุณคอยคุณยายอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้แหละก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเน่ยต้องขอคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปขอมันก็ไม่เกิดประโยช น, น์มันไม่มีความหมายอะไรใช่ไหม อย่างพระอนุนเนี่ยเป็นเหมือนพระอุปถาหพระพุทธเจ้าคนนี้ต้องมีคนขอเพราะจะต้องมีคนรับภาระอุปถาหพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนที่ไม่ขอแสดงว่าคนนี้ไม่อยากจะรับภาระอยากจะให้ไปเร็วๆอ่านยายไหม <c oughs> แต่คนอื่นมาขอมันไม่ขอมันไม่เกี่ยวใช่มหมเขาไม่มีก็ไม่จะมารับภาระเลี้ยงดูท่านอุปถาหโมทาร์ท่า น, านมาขอไปก็ ขอแบบพูดวาจา เ, าเปล่าๆไม่มีไม่มีการไม่มีสาระเลยแต่คนที่เลี้ยงดูคนต้องเป็นคนที่ขอให้ท่านอยู่นานๆยินดีที่เลี้ยงดูไปจนวันจนจนวันตายจนตัวคนเลี้ยงดูตายก่อนก็อันนี้ที่พระเจ้าพูดนี้ก็พูดให้ ให้พระ อ, อนุนอลาธนาให้อยู่ต่อนะพระ อ, อนุนไม่ไม่เข้าใจความ ห, หมายก็ไม่ได้อาราธนาพระเจ้าเลยคิดว่าอนุนเคาไม่อยากจะรับใช้เราแล้วนะอยากจะให้เราไปเร็วๆพระเจ้าก็เลยตรงสังขารออีกสามเดือนไปดีกว่าไม่อยากจะเป็นภาระให้กับใครความหมายอยู่ตรงนั้นนี่ผมอราธนาได้ผมดูแลคุณยายโดยตรง <laughs> เราเนี่ยคุณพ่อแม่เราเนี่ยต้เป็นคนคอยรับธนาเพราะลเราก็ต้องใส่พ่อแม่เป็นคนเอาเงินที่พ่อแม่หามาดูแลคุณยายทีใช่ไหมคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่คนที่รับผิดชอบโดยตรงต้องเปนคนรับธนาแต่คนที่อยู่นอกบ้านไม่เกี่ยวข้องมารับธนามันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีสาระไม่มีไม่มีผลอันใดพูดไปก็ไม่พูดมันก็ไม่ ถ้าเป็นคนก็สนับสนุนบริจายมันสนับสนุนทุกเดือนนี้อ่างมาลันาางนี้ก็นี่ก็น่าสมควรเนะจะส่งเงินมาเลี้ยงกุญยาอยู่เรื่อยๆย่นีครับอาจารย์อาจารย์นะความหมาอาจารย์ครับผมก็ที่พระอาจารย์พูดเรื่องโอเบโดสคราวที่แล้วก็ไปลดขนาดยามานิดนึงก็ไปเล่นเรื่องมรณานุสติเพิ่ม ก็ยังเอาเรื่องอาสุภาะอาจารย์ก็เอาทั้งสองเรื่องควบคู่กันไปท่านี้ในขณะที่พิจารณาอาสุภาะเนี่ยโอเคมันมันเริ่มมันเริ่มโอเคเพราะว่ามันเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ยอมรับมากขึ้นโดยที่ไม่กลัวไม่รังเกียจอะไรเสร็จแล้วก็เลยไปพิจารณาเรื่องความตายเพิ่งพิจารณาได้ไม่เท่าไหร่ก็วันนี้วันนี้ของจริงมาให้เห็นคือขับรถผ่าน แล้วมีหมาเสียชีวิตนอนอยู่บนถนนก็นอนเราก็เหมือนสงสัยว่าทําไมหมาไม่ขยับก็เหมือนมองลอดออกไปทางหน้าต่างรถไปดูก อ, อหมาก็นอนแน่นิ่งอยู่เลือดไหลก็อะไรก็ไม่รู้จากตัวมันก็ไหลออกมาเต็มไปหมดผมก็นึกว่าเออหมามันก็ตายตายพอพอคิดแบบนั้นมันเหมือน ที่ผมเคยเรียนพระอาจารย์ไว้เขาก่อนว่ามันเหมือนแยกกันอยู่แล้วคราวนี้พอยิ่งเห็นไงมันเหมือนยิ่งวูบกลับเข้ามาแยกอีกแล้วเหมือนแบบมันสอนเข้ามาว่าเออเราก็ต้องตายมันเหมือนย้อนกลับเข้ามาแต่คราวนี้มันเป็นย้อนกลับเข้ามาแบบตุตัวอินวิซิเบิลแมนเป็นคนรู้นั่นแหละการพิจารณความตายก็เพื่อย้อนกลับเข้ามาแล้วก็แผ่ไปกับทุกคนเลย ทุกคนในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันหมดไม่มียกเว้นไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่คนนั้นคนเดียวทุกคนทุกคนในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคนผู้จ่าผมก็พยายามที่จะทําให้ได้มากที่สุดแล้ว เ, เราจะรู้สึกเฉยๆ เ, เวลาใครตายแล้วไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไร ที่ถึงเต้นตกใจก็แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มัเป็นเรื่องแปลกเรื่องพิสดารมันจรงไม่ใช่เรื่องพิสดารเรื่องแปลกเรื่องความตายมันเป็เรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายกันทุกคนแต่เพียงแต่ไม่คิดถึงมันนัก็เลยต้องคิดว่าจะอยู่กันไปอืนี่ยความลงมันอาจจะคิดว่าเราจะอยู่ไปได้เรื่อยๆไม่มีวันตายกันพอมีวันตายขึ้นมาเลยกลายเป็นเรื่องแปลกขึ้นมาทันที ใช่ครับเป็ น, น <ะ S 1> ขาวใหญ่ลงหน้าหนึ่งเลยวันนี้ตายลงหน้าหนึ่งไม่ลงทำไมตายรู้อยู่แล้วต้องตายเนี่ยาระจรันทร์ผมผมเข้าสูมดีมากๆเนี่ยเพื่อนเขาบอกผมเนี่ยนิสัยแบบไอ้นี้ขึ้นทุกวันนะเวลาแบบสิ้นปีหมดหมดกัดไอ้ปีการเรียนนะครับปีการศึกษามีเด็กนาะนะต่างชาติที่เขาต้องย้ายกลับประเทศอะไรเงี้ย ผมก็เฉยๆไม่ได้ร้องไหช้ชาวบ้านเขาร้องไห้โผล่กอดกันขอถ่ายรูปครั้งสุดท้ายผมก็นั่งดูผมก็นั่งอยู่ค่อนฟงเฉยๆก็ดูอยู่แล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยทํำไมทํำไมนิ่งจังเลยก็บอกเขาไม่เห็นนั่นนี่จังเลยเขาคิอว่าเวลาอยู่จะอยู่วนไปเรื่อยๆพอต้องมีการพัฒนาจากกันขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา แต่ถ้าเราพิจนารณาทางฮอรสอนพระเจ้ายอยู่เรื่ยเราต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ล, ลงค้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้เราเกิดการพัดพาก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาไปเนี่ยเรากับคุณยาตยิต้องพัดพากจากกันไหมเคยคิดบ้างหรื่าทุกทุกวันนี้ก็บรญจาแวบกลับมาก่อนนอนครับผกแรก มันจะนึกไปถึงวันนั้นที่คุณยายคุณนอกที่ร้านอาหารอืราะเพราะไอ้แว็บนั้นอ่ะมันมันเหมือนมันฝังอยู่ตั้งแต่วันนั้นว่าเออจริงๆถ้าคุณยายเป็นอะไรไปเราทําไงวะ <c oughs> นั่นมันเป็นคําถามที่นั่นเป็นคําถามที่มีมาหลายครั้งว่าคุณยายก็เข้าโรงพยาบาลหลายครั้งมาแต่เราก็นั่งนึกว่าเออถ้ายายเป็นอะไรไปเราทําไงวะแล้วสุดท้ายมันก็แบบเออก็เอาเนี่ยอนิจังทุกครั้งหน้าตามาสอนสอนใจ ก็ได้ทำมาอาจารย์น่านใจแต่บางทีมันก็คิดคิดพิจารณาไปอย่างนี้ครับผมอาจารย์คิดพิจารณาจนสุดท้ายก็แบบคิดอยู่แต่ว่าก็ในความเข้าใจของผมคิดว่ายังพิจารณาไม่พอต้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาต้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาอย่างอสุภะเนี้ยผมพิจารณาบ่อยก็จริงแต่ว่า มันยังไม่บ่อยถึงช่านถึงท่านจะบรรลุอะไรได้ก็ต้องทําไปเรื่อยๆครับอาจารย์โอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับอาจารย์ลอยลอยเปนานนะอาราธนาให้คุณยายนั่นอยู่เป็นนานนะอาราธนาท่านสันโดษ อันนี้เป็นการบ้านนะครับอาจารย์นอกจากการปฏิบัติการบ้านของผมคืออัลาธนาคุญยายให้อยู่คุญยายไม่ต้องกังวลผมยินดีรับใช้คุณยายระจนวันตายเลยแต่ใครจะตายก่อนนั่นน่ะไั่ยายแล้วกันค่ะกลัวผมจะตายก่อนแน่ตายก่อนแน่มันไม่รู้เสิครัอาจารย์ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่แน่นอนผว่าจจะตายก่อนก็ได้ ก็กราบกราบท้าคุณพ่อคุณแม่คุณยายก่อนนอนทุกคืนครับอนี่นะครับคุณอาจารย์ขอบคุณคุณอาจารย์ถูกกับบ้าแกงแรงนะคุณยายอยู่ให้เกินร้อยปีสายสูบไปที่คุณยศสวัสดีโอเมีดอกไกุคลาบานะเนี่ยที่ไหนเนี่ยสวยงามมากนามสการเจ้าค่ะอาจารย์เรา้องทําแบตเก่าให้ ให้ชื่นชูจิตใจอาจารย์ค่ะก็วันนี้ไม่มีคำถามค่ะบอาจารย์เดี๋ยวคืนนี้จะลองอนอนเสร์ยโยคะค่ะตั้งใจว่าจะถือสินแปดจนถึงสิ้นเดือนค่ะพอดีวันเกิดวันนี้สามสิบเอ็ดมีนาค่ะพะอาจารย์ก็เดี๋ยวคืนนี้ลองนอนพื้นค่ะอืมมันจะยากตรไหนเลย จริงๆหนูชอบนอนพื้นนะคะพระอาจารย์แต่แค่คอนโดมันแคบเราต้องจัดสรรพื้นที่อะค่ะอืเพราะว่านอนที่นอนเราชอบกดหลังไม่ชอบค่ะหมายถึงมักจะกดหลังอะค่ะเดี๋ยวนอนบ่อยจากเตียงให้คนอื่นไปก็จบเลยจะเก็บไว้ทําไมต้องถามลุกไปตัลุกเมดต้องถามก็ไม่ยอมลูกเมดลุกเมดเขาเหนื่อยมาเขาอยากจะนอนมากอตอว่าก็ ค่ะพ่ะอาจารย์ซื้อ่าผิดไซส์เลยนะคะพาอาจารย์ที่นอนเนี่ยค่ะแต่ก็ยังใช้ได้จนทุกวันนี้ค่ะโอเคขอบพระคุณดค่ะพระทำหน้ทานที่ทำได้แล้วกันค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะพรอาจารย์อาจารย์ผมไมิไรายคุณอนุกูลตื่นได้ยังเรื่องเรียนหลับแล้วตามตัวมาแล้วค่ะอืม นี่บล็อกเปนอยู่ค่ะอยากมามาสักการ์พระอาจารย์ครับอสบายดีนะมาสักการ์พระอาจารย์ครัสบายดีครับพระอาจารย์ะแข็งแรงขึ้นไหมเดี๋ยวนี้ดีครับดีขึ้นทุกวันทุกวันนะครัตอนนี้เดนินได้เป็นชั่วโมงและะ้วครับดีครากําลังกายแนละ้วรางกายจะแข็งแรง น, นะต้องเดินทุกวันอือดีดีมากยังให้เวลาอีกสักเดินหนึ่งอะคะ่ะครอบ ใช้เงินก็ไปเที่ยวได้แล้วนะไปไปเดือนหนึงก็จะไปตัก บ, บานได้ไม่ก็ไปที่ซาลา่าได้เลยครั่ะแต่คงให้ไม่ให้ขับรถนะคะคงต้องหให้คนเดินขับอืรอแล้วนะงขับมานานนะรอแล้วค่ะขับมานานบทค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะฟังวันนี้ก็ได้ได้เยอะค่ะ เออมันก็ได้ธารมะได้คติให้มานักคิดกันช่วยกันคิดช่วยกันเตินกันนะค่ะก็อภิธาคุณแม่ให้อยู่ถึงร้อยสามค่ะเออตอนนี้ตอนนี้แค่รอยสต่อต่อไปเรื่อยๆต่อเปปีต่อปีค่ะอืก็ยังก็ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะปีมือกันที่คุณแม่ยังมือแข็งแรงคุณแม่จะได้มีความสุขถ้าเราว่าทนาเพราะเราเป็นคนเลี้ยงทันใช่ค่ะคนอื่นมาวัฒนาไม่มีไม่มีประโยชน์อะไร อยู่ทีการรัตนาด้วยกันทั้งคู่อ่ะดูแลกันอย่างดีดีจ้ะเราก็ได้บุญได้กุศลนะคุณพ่อคุณแม่เป็นผ้าอ่ของลูกๆได้บุญได้กุศลมากไม่มีใครจะมีบุญคุณเท่ากับบิดามารดาของเรานะงั้นการทษแทนบุญคุณต่อให้ทดแทนมากเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดบุญคุณของพ่อแม่เราเนี่ยทาให้เราสุขใจด้วยค่ะ ใช่ถ้าเราพูจถ <ะ S 2> ้าเราได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ<า>คครุ่คนอื่นก็จะไม่ทดแทย ก, ก็เรื่องของเขาไปเราโชคดีเืว่าเราโชคดีเราเกิดมาเรามีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเวสาทาุจาหวังว่าจะอยู่เราจะอยู่ยาวดูแลท่านไปอก็แล้วแต่แอันนี้เป็ <laughs> นหน้าตา <laughs> เราเลือกไม่ได้ก็รลืไม่ได้ใครจะไปก่อนไปหลังแล้วช่างมันเทิงเวลาก็นะฮะก็ฝ่อยมันเกิดขึ้นไปเดี๋ยวฝากลูกๆดูใจโอเคสาธุสาธุถ่ายรูไปกันไปที่โกเบคุณจุ๊บโกเบเป็นยังไงกลับในวัฒนธรรพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์เลยเจ้าค่ะัอดีมี พอดีมีญาติมาเที่ยวหาที่ญี่ปุ่นค่ะก็พาเค้าเที่ยวค่ะพระอาจารย์หนูรู้เลยว่าหนูปฏิบัตินี้หนูยังไม่ผ่านค่ะพระอาจารย์ยังติดเที่ยวอยู่หนูไม่ได้ติดเที่ยวค่ะหนูคือพาเขาเที่ยวค่ะแล้วที่หนูรู้ว่าตัวเองนี่ยังไม่ผ่านเพราะว่าคือเวลาญติพี่น้องมาแรกๆเราดีใจใช่ไหมเจ้าคะพาเที่ยวแต่นานๆไปเวียนหัวค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพูดมากพูดมากแล้วหลังๆหนูหนูก็เริ่มแบบ ปกติไปไหนมาไหนนี่หนูก็ตามไปเป็นล่ามช่วยเขาใช่ไหมคะแต่หลังๆมานี่หลังๆใกล้วันสุดท้ายอะหนูแบบไปไปเลยจะเดินไปดูอะไรก็ไปเลยเดี๋ยวนั่งรอที่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะพนักงนรู้เลยว่าหนูทนทนไม่ไหวจริงค่ะแบบเปลี่ยนหัวครับอาจารย์คนพูดพูดนั่นพูดนี่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนหนูไม่ค่อยเป็นนะคะอืมหนูก็เลยรู้ว่าเออหนูแบบ ปฏิบัติยังไม่ผ่านโทษจริงๆแล้วเหมือนเคยเคยเคยฟังว่าถ้าสมมติเราปฏิบัติดีแล้วเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเราก็จะวางใจได้ไม่หงุดหงิดไม่ไม่ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็พยายามฝึกไปพยายามปล่อยวางก็เบิกขาเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเข า, ยาพูดไปเจ้าค่ะก็มี ก็มีบางเรื่องที่แบบเขาเขามาแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็บอกเราหลายๆเรื่องมันก็มีเรื่องให้ฉุกคิดอยู่เหมือนกันนะคะหร mm ื hmm. อญาติพี่น้องเขาก็พูดประวัตว่านี่เธอทํางานอย่างนี้เธอทําได้ดีกว่านี้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ซึ่งตอนนี้หนูพอใจแล้วนะคะเพราะหนูยึดถือคําสอนพระอาจารย์ว่าให้ทํางานเอาแค่พอเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่เขาก็แบบ เหมือนมาพูดประมาณว่าเนี่ยเนี่ยมั่นใจในตัวเองสิอะไรอย่างนี้นค่ะเราทําได้ดีกว่านี้นะทำํำไมมองตัวเองแบบทําไม่ได้ล่ะอะไรอย่างนี้ยค่ะมันทําให้หนูบางทีหนูรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรอย่างเนี้นค่ะพระอาจารย์เราต้องมีควา <c oughs> มมั่นใจในตัวของเราเองจริงมือแรกใคร <c oughs> ก็พูดอะไรมาก็ไหลตามคําพูดขอ ง, ของเขาอืมค่ะใช่ไหมแต่ก็ ก็นี่ค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปฏิบัติแล้วอะค่ะพระอาจารย์ช่วงก่อนนี้แบบรู้สึกเรื่อว่าเราย่อห ย, ย่อนไปเยอะเลยค่ะพระอาจารย์นี่เมืยามปฏิบัติไปแล้วจิตใจเราจะมั่นคงใครจะพูดอะไรก็เฉยได้ฝ่ายเขพูดไปแล้วค่ะแล้วก็ืุดหมายปลายทางของเราเป้าหมายของเราเราไปจะทำอะไรของเรา เพื่อแต่ละคนก็มองโลกนี้ไม่เหมือนกันบางคนก็มองไปทางโลกว่าต้องต้องได้มากกว่านี้ต้องรวยกว่านี้ต้องเก่งกว่านี้แต่เราไม่ได้ไปมองไปทางโลกเรามองไปทางธรรมนี่ก็มันก็พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันคนละภาษาโอค่ะเะนนเราไม่นควรที่จะมีความรู้สึกอ่อนไหวไปกับการคําพูดของเขาอ่อนไหวสแสดงที่เละเราอย่างเยอะยังอ่อนไหวไปกับตามที่เขาพูดเนี่ย แล้วค่ะใย่ไหมเราไม่ต้องเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วไม่ใช่ทั้งราบยศสรรเสริญสุดค่ะหนูไม่ต้องการไปมากกว่าดีแล้วแต่บางเขาสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาีหนูก็แบบบางทีมันก็มาสะกิดนิดนึงอะค่ะพระอาจารย์อ๋อพิเรย์แล้วมันยังไม่หมดเนี่ยพเรย์ยังไม่หมดค่ะรู้เลยว่าไม่ผ่านนะคะยังไม่ผ่านวันทีไอ้เขาเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันน้อยหน้าใช่ใช่ จริงค่ะอาจารย์ไม่ต้องไปอายแนละ้วเพราะเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่า น, นี้เพราะเรื่าทางโลกมันเป็นทางของความทุกข์ต่อค่ะแล้วเราเลยยังคิดว่ามันเปนความสุขอยู่ต่ค่ะโอเคนะพยายามฝึกสตินักงสมาธิพิจารณาทางปัญญาตายลักบ่อยๆแล้วมันก็จะมันก็จะมีความมั่นคงในทางธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทางโลกก <Okay. S 2> ็เห็นแล้วมันเป็นทุกข์เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไปหวังอ่าจากมันไม่ได้หรอกเราให้รวยกว่อนี้อีกสิบเท่ามันก็เหมือนเดิมมันตายก็ยังต้องทุกข์ทุกข์เพิ่มขึ้นอีกสิบเท่ายิ่งมากเงินยิ่งมากก็ยิ่งทุกข์กับมันมากขึ้นใช <Okay. S 2> ่ไหมเวลาตายก็ต้องจากจากเงินมากขึ้นมีมีล้านยังก็เวลามีสิบล้านก็ สิบเท่ามันจะต้องจ่ายเสียโอเียได้เงินต้องสิบล้านต้องจ่ายมันไปเวลามีล้านเดียวก็มันก็จ่ามันก็จ่าแค่ล้านเดียวมันมีไปมีมากเสมอไม่มองถึงตอนที่เวลาจะต้องจ่ายมันไปจะเสียได้ไหมจริงด้วยนะเจ้าค่ะเราไม่คิดถึงตอนตอนนี้เราต้องจ่ายสิ่งต่างต่างไปเนี่ยพราอคนที่หาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติกองเข้าภูเขา เราต้องจากมันไปะโอ้เสียดายนะหามาแทบเป็นแทบตายเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวพระพุทเจ้าม่เอาแค่อัฐบริการเท่านั้นพระเจ้าไม่มีสมบัติมากไปกว่าอัฐบริการมีบาทใบหนึ่งมีผ้าสามผืนมีที่รัดเข็นขันรัดเอวมี มีได้แต่เข็มมีที่กนผมคนหน่วยแล้วก็มีที่กรองน้ำหนึ่งอันแค่นี้พอแล้วสมบัติของมาเศรษฐีที่แท้จริงไม่ต้องมีมากไปกว่า น, นี้เศรษฐีทำทำไม่ต้องการเศรษฐีทั้งโลกไม่ต้องการทรัพย์สมบัติทั้งโลกเอาเรียกทรัพดีกว่านี้บางทรัพย์ทรัพย์อันสูงสุดนะ <Okay. S 1> ์นะอ๋อค่ะขยายไหม อย่าไปเตามเขาอย่าไปตามที่เขาพูดเขาพูดอย่างนี้โอ้ใจเต้นไปเลยจริงเหรอเพื่อนตอนนั้นแบบเลยอาหน่อยไปเลยเจ้าค่ะออืวนน้ยหจะพยายามจ้าค่ะวัวน้อยหน้าเนี่ยเจค่ะวัวเสียหน้าน้อยหน้าอือพเราสู้เขาไม่ได้น้องรวยกว่าเราเจาค่ะเขาไม่รู้ว่าเราหาทรัพย์ภายใน ถ้าไปนานนี่เขาไม่มีอะไรไม่มีจริงๆค่ะคุยกันคุยแคนนี้คือคนละเรื่องกันเลยเจ้าค่ะ <Okay. S 2> อเดี๋ยว <Okay S 2> จะพยายามต่อไปนะเจ้าค่ะค่ะอาจารย์แน่ๆมั่นคงกับพระรัตนนาตัยเนี่ยคำสอนของพระเจ้าอย่าให้คำสอนของรือมันทำให้เราโ ล, เ, าโลเลหรือหลงทางได้นะโ <Okay. S 1> อเค ยึดแห้แนบใมั่นของคําสอนพระเจ้ามากน้อยสันโดษในโลกการทำแล้วค่ะให้โลกมากมากในในในธรรมะในอย่าไปโลกมากในทรรโลกค่ะเนี๋ยจะเอาคําสอนของพระอา จ, จารย์ยึดในจิตใจแล้ว ค, ะ ค, ค่ะจิตใจเราในความสแล้วมันไม่มีไม่ไม่มีใครจเป็นจะน่าไปทราบสมบัติอะไรเลยเชื่อไหม จริงเจ้าค่ะอืมหจะมาสร้างความสุขทางใจให้ได้แล้วมันจะมันจะปล่อยทางทรัพย์ทางโลกไปหมดเลยไม่ยินดีอะไรพระพุทธเจ้าเคยกลับไปอยู่ในวงังมไหมล่ะไม่เคยกลับเข้าวังไปอยู่ในวงังอีกต่อไปโอเคนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากมาที่เมตตาสั่งสอนนะเจ้าค่ะอย่าเราจะพยายามตอไปเจ้าค่ะอืมอันนี้คุณทุตู ทางนานเป็นยังไงนะมรดการกับพระอาจารย์ก็ช่วงช่วงนี้ยุ่งภารกิจการงานกับพระอาจารย์งานเยอะอย่าอย่าลืมมานะสตินะยังไงก็ต้องกายอยู่ดีนะค่ะพระอาจารย์ก็อตอนนี้เอาเอาธรรมะพระอาจารย์ที่สั่งสอนนะคะมามาใช้ปฏิบัติในการทํางานนะคะเพราะว่าพอตั้งแต่หายป่วยพอทํางานก็ต้องเจอคนเยอะอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อตอนนี้พยายามอยู่กับ ปัจจุบันค่ะก็รู้เลยว่าเราทุกข์เพราะว่าเราเรานึกถึงเรื่องอดีตแล้วก็เรากังวลกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงค่ะก็เลยก็เลยเห็นความสําคัญแล้วว่าทําไมพระ เ, เจ้าถึงบอกว่าอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดคื อ, อถ้าจิตมันมั น, ม, นมันคิดแต่เรื่องอดีตกับอนาคตนะคะกลายเป็นว่าเราเราเสียปัจจุบันตอนนี้่ค่ะพระอาจารย์ ห, หนูเพิง่งเพิ่งเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าบอกว่าปัจจุบันสําคัญที่สุดค่ะใช่แต่อนาคตก็ต้องรู้บ้าง ความตายมันรออยู่ค่ะนึกตลอดค่ะหนูหนูจําคําพระอาจารย์สอนตลอดว่าห้ามประมาทอย่าประมาทค่ะหนูนึกตลอดเลยค่ะความความตายนี้อย่าลืมไปนะค่ะถ้าลืมนีแน่แสดงว่าประมาทนะทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์หนูจะนึกถึงหน้าพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์หนูจะมีรูปพระอาจารย์อยู่อยู่ที่บ้านด้วยค่ะก็ดูหนังสือแล้วก็พยายามนึกตลอดว่าห้ามประมาทอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นมะเร็งหายแล้วก็เป็นได้อีกค่ะพระอาจารย์เราจะนึกอย่างนี้ตลอด ูกตกใจจะได้เกิดมันกลับมาจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์ก็หนูนึกตลอดเลยมีคนถามว่าหายหรือยังหนูก็บอกว่าตอนนี้หายแล้วแต่ว่าเหมือนพระอาจารย์ก็จะบอกตลอดว่าอย่าประมาทนะเดี๋ยวมันกลับมาอีกก็ก็ห้ามประมาทในความตายค่ะหนูก็จะนึกเตรีย ม, มไว้แล้วค่ะอืมันไม่แน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะก็เหมือนที่พระอาจารย์สอนคนก่อนหน้านี้ค่ะให้นึกย้อนค่ะพระอาจารย์ พอเนตย้อนย้อนย้อนในสิ um, ่งที่มันจะต้องเกิดจะได้แบบไม่ต้องกังวลเช่นถ้ามันเป็นอีกแล้วหนูจะกังวลหนูก็เลยนึกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวหนูจะเป็นอีกค่ะอาจารย์หนูก็เลยก็เตรียมตัวไว้ค่ะอาจารย์ค่ะก็กใช้นี้ไม่พ้นนะการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นด้วยกันทุกคนค่ะอาจารย์ก็พยายามไม่ทิ้งธรรมะค่ะทุกวันจะจะนึกถึงคําสอนแล้วก็ เอาคําสอนนั้นนะคะมาใช้ในชีวิตประจําวั น, นะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็หนูฝึกการให้อภัยด้วยค่ะหนูเพิ่งเข้าใจว่าการที่เราอยากจะปฏิบัติธรรมอะคะ่ะเริ่มต้นคือเราต้องให้อภัย mm hmm. เหมือนบางทีเราใครมาเบียดเบียนเราเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าถ้าเราจบที่เราก็คือเราก็หยุดก็ถือว่าเป็นการตัดกบัดชาติเราได้ได้ให้มันตันลงนะคะ่ะหนูคิดถูกไหมแล้วทําใจให้เราสงบไม่เป็นนิวรณ์ไม่ถ้าเราให้อภัยไม่ได้เราก็จะโกรธ เงินใจแล้วมันก็จะทําให้ทําสมาธิได้ลำบากค่ะพระอาจารย์หนูหนูก็เลยตอนนี้คือฝึกสองอย่างค่ะคือพยายามฝึกสติอยู่กับปัจจุบันนะคะหรือว่าทำอะไรนี่ขึ้นได้หนูก็พยายามไม่ไม่ทิ้งพุทโธนะคะเดินทําอะไรนี่ก็ก็พยายามพุทโธค่ะพอลืมอีกก็พอนึกขึ้นมาได้ก็ทําอีกค่ะกลับให้อภัยค่ะตอนนี้ฝึกสองอย่างใครทําอะไรก็เราให้อภัยเข้าไปค่ะก็เราสบาย อย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไโขดก่อนค่ะพระอาจารย์นี่เราจะเมตตาสั่งสอนเพิ่มไหมคะเอาท่า น, นี้ก่อนเนอะเอาแล้ว <laughs> เดี๋ยวมากกันไปแล้วมันจะลืมมันจะเยอะเกินไค่ะพระอาจารย์วันนี้ในตั้งใจว่าจะเข้าสูงค่ะคืองานเยอะแต่ว่าต้อ ง, ต, องต้องทิ้งบ้างค่ะเผื่อว่าตื่นแล้ ว, ว, วไม่ไหายใจ <laughs> อะก็เลยคิดว่าเอาบุญซะก่อนออย่าลืงนี้ที่นึงฟังเทศฟังธรรมสักครั้งหนึงเพราวันนี้จะตายค่ะ เาราพยายามฟังทำอยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆการทำทำทำการเป็นคนอย่างยิ่งอย่าประมาทค่ะอาจารย์ค่ะสาธุจ้าค่ะก็คิดถึงนะคะว่าอาจารย์เหนียวอยู่ใจการทำที่วัดค่ะทำมาเป็นเหมือนปุ๋เป็นเหมือนน้เหล่าเลี้ยต้นไม้นะจิตใจเราต้องการปุ๋ยต้องการน้ำหล่อเลี้ยง น no, ท <ำ S 1> าําคุ๋ยของทํ okay, <start> าค่ะโอเคสาธุค่ะรมัสการอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณสุภัตราเท็กซัสเชิญกลับรบมัสการพระอาจารย์เจ้าคา่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะนาวอีกงอเลเท็กซัสใจบวกเท็กซ <c oughs> หน า, <c oughs> าวเลเมื่อช้านี้ประมาณสี่องศา 4องศาเจ้าค่ะเอางอาการมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้มากเลยนะเจ้าค่ะก็เดี๋ยวก็เย็นสบายแล้วก็เดี๋ยวก็หนาวนะคะแต่ยังไม่ร้อนเจ้าค่ะยังอยู่สปริงก็ไปไปมามาอยู่เจ้าค่ะเจ้าค่ะลองทำเดือนองทำเดอนในจ้าค่ะลูกไม่ได้เปิดฮีตเตอร์ในบ้านเจ้าค่ะก็จะต้องใส่เสอใส่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติ เป็นการฝึกด้วยเจ้าค่ะ ด, ดีเจ้าค่ะเมืวันไหนคิดเตอร์มันใช้งานไม่ได้เราจะได้ไม่เดือดร้อนเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะตาึุเจ้าค่ะวันนี้คุณมารีดาวคุณมาเร่พุทธอากาศที่นี้ได้ไปปฏิบัติหร้อล่าดาวของพ่อค่ะ อาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้ไปวที่วัดนะคะแต่ก็ยังปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อพอดีหนูโหนช่วงนี้จะคุมเรื่องก่อสร้างนิดนึงค่ะหลงพ่อเออเดีต่อไปจะได้ไม่นำไปที่ไหนละมีที่ปฏิบัติที่บ้านค่ะแต่พ่อปฏิบัติทุกวันคะ่ะหนวพอ่อแล้วยิ่งยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งดียิ่งดีงดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราไปอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมที่เราทำํำที่เรากำลังสร้างอย่างนี้ ใช่ใช่ค่ก็ให้เราอยู่คนเดียวเลยนะไม่ต้องมา ใ, ใครไปยุ่งกานะเราเนาะเขายอมเออขายอมแล้วค่ ะ, <laughs> คะประมาณเดือนเมษาเนี่ยค่ะช่างที่ติดต่อไว้เขาจะเอาพวกอันเนี้ยมามาติดให้อะค่ะรเราต้อรอคิวอยู่อะค่ะ<ๆ>เพราะว่ามีมีคนที่เขาไปปฏิบัติเขาไปสั่งสั่งให้เขาทำค่ะพระพระก็ไปสั่งด้วยค่ะ หลายหลายที่มามามาสั่งแบบเป็นเหมือนเป็นขุดติเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยลอรอชิวเขาอยู่แต่ว่าทางทางหนูก็จะทำฐานที่ตั้งเอาที่รอเอาไว้อะค่ะ mm hmm. แล้ววันนี้หนูได้ฟังฟังธรรมะหลงพ่อครับมันมันยิ่งมาช่วยในเรื่องการปฏิบัติดีขึ้นไปอีกค่ะคือหนูฟัง เขาเปรียบเทียบระหว่างเรือกับน้ําอะค่ะเขาบอกว่าน้ําไม่ได้ทําให้เรือจมยกเว้นเสียแต่ว่าเรือมันรั่วแล้วน้ํามันเข้าไปอันนี้ยเรือจมก็มาเปรียบเทียบเหมือนเหมือนจิตใจเราถ้าเราปล่อยให้กิเลสหรือว่าให้สิ่งที่มันไม่ดีเข้าไปอยู่ในจิตในใจเรามันก็มันก็เสียไปหมดอย่างเงี้ยค่ะพ อ, พอฟังแล้ว เออมถ้าเราคิดตามแล้วบอกเออมมันวางอะไรได้หลายหลยอย่างแล้วมันก็ช่วยในเรื่องการปฏิบัติแบบในเรื่องจิตใจยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจิตใจมันโล่งมันสบายยิ่งปฏิบัติยิ่งดีค่ะหลวงก็ดีธรรมะเนี่ยมีหลา ย, งายาแง่หลายมุมบางแต่ละครั้งก็จะได้คติได้ปัญญาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆไม่ควรไม่ควรจะทิ้งการฟังเทศฟังธรรมด้วยอนังสือธรรมะ คือช่วงช่วงที่เราพักอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดเปิดฟังเอ้ยมันมันรู้สึกก็คือใจใจมันเป็นสุขมันไม่ทุกข์อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันได้ได้ข้อคิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาปฏิบัติคือยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะหลวงพ่อใช่ธรรมะมันมีหลายแง่หลายมุมด้วยกันยิ่งฟังยิ่งยิ่งได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อ พุทธเจ้าถึงก็เหมาะให้ฟังธรรมตามการตามเวลาค่ะอืมันจะมีวันฟังธรรมนั่นนี้ค่ะอย่างนี้ที่นี้เข้ามาอันนี้ก็สนทนาธรรมก็เหมือนกับฟังธรรมพูดกันถามตอบนึงธรรมะอืมแล้วแล้วเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเทศน์ค่ะโหหนูรู้สึกว่ายิ่งตอบย้ําว่าเออเราควรจะยิ่งมีความมั่นใจมั่นคงต่อพระรัะนตนตย ให้มากให้หนักให้แน่นอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันรู้สึกว่ามันมันสุขใจอะค่ะหลวงพ่ อ, อมันมันทําให้เราเหมือนแบบเราไม่ผิดทางแล้วอะค่ะหลวงพ่ อ, อเรามาทางเนี้ยเรามั่นใจได้อะค่ะไม่มีใครที่จะฉลาดเท่ากับพระพพุทธพระธ<ห>รรมพระสงฆ์งั้นถาใครมาพู่อะไรที่มันขัดกับคําสอนพระเจ้าก็ไม่ต้องไปกังวลแสดงว่าเขาโง่เขาไม่ฉลาด ทำค่ะเหมือนเปิดตาให้เราแบบเออใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะลก็ให้เราเห็นในทางที่ถูกอ่ะค่ะพอแล้วก็มีความหนักแน่นในใจว่าเราต้องเดินทางเนี้ยเป็นทางที่จะได้ไม่หวั่นไหวเพราะใครกระทำของเรามันจะผิดกับชาวบ้านเขาถ้าเราไม่มีความมั่นใจเวลาใครก็มาทักหน่อยใจก็อาจจะหวั่นไหวได้ให้เราบ้าหรือเปล่าให้เราหลงหรือเปล่าใช่ไหม ก็ก็ปล่อยปล่อยให้เขาคิดไปแต่หนูก็ยิ่ง ม, มีความมั่นใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นขึ้นที่ใจของเราแล้วกันใช่ค่ะ<ม>หลวงพ่ อ, อมันก็อย่างมีมีเรื่องมีทุกข์เข้ามาเงี้ยเราเราจะตัดได้ไวขึ้นค่ะหลวงพ่อเราเราไม่ต้องมาเก็บอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อซึ่งเร็วๆนี้ก็มีเรื่องมาทดสอบทำให้เราเหมือนเสียทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ แต่ใจเราไม่ได้โกรธเขาแต่เราก็จะบอกคนในครอบครัวว่าทําไมถึงโกรธรุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยเราจะบอกคนในครอบครัวว่าไม่ไม่ต้องโกรธอะไรเงี้ยเพราพหนูเป็นคนเสียเงินเองอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปคิดมากมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้เนี่ยค่ะเหมืนเพราะมันคือมันดับได้แบบมันได้เสียเสียของก็พอแล้วม่น้องไ้เสียใจด้วย ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วเราพูดไปมันก็มีแต่เหมือนบาดหมางกันไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจแล้วเขาไม่เข้าใจก็จะต้องเขาเขายังโกรธแบบแรงๆค่ะหลวงพ่อข้ามวันข้ามคืนวันนี้ถึงจะหายเลยแต่หนูเขายังไม่ได้สุดยังไม่ไปทำอะน้อยใจหนูหนูเห็นได้เลยค่ะหลวงพ่อว่าเออทําไม ใจไม่ได้มีเครื่องขุนอะไรเขาเลยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนแบบให้เรามา น, นึกถึงว่าสิ่ ง, <อ>งที่<อ>เกิดขึ้นแล<อ><อ>้วค่ะของไม่เตียงเยก็ต้องเตีงมันอยู่ดีวันใดวันหนึ่งค่ะให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันว่าตอนนี้เราควรจะทําอะไรเราต้องทํำยังไงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกว่ามันมีมีความสุขในใจค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ต้องไปทุกอะไรดีดีมากทำต่อไปนะค่ะท่านค่ะ ตอนนี้คนรออยู่เยอะเดี๋ยวเวลาจะาใกล้น้ำมุดก่อนค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากมาค่ะสาธุค<อ>่ะคุณหมอพัศนะเชิญกลับมาเศการหลวงพ่อค่ะขอบอพระคุณมากเลยนะคะพระอาจารย์ก็มีข้อสอบกันค่ะพระอาจารย์คราวนี้ข้อสอบอยากจะต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่แบบที่แบบช่วยสั่งสอนมาก็ทําให้เตรียมตัวเอ่อคุณพ่อผ่าตัดไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วใช่ไหยคะก็ผ่าตัดไปก็ ก็เพืเอินโชคดีที่ได้พอาจารย์สั่งสอนแล้วก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ค่ะเรื่องร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วก็ได้เตรียมคุณพ่อฟังทําอะไรเอาไว้ก็พามาแล้วปรากฏว่าก็มีมีแบบเพราะอายุเยอะนะคะก็จะมีถ้าไปทางหมอเรียกว่าดีไดเมอร์ก็คือมีเรื่องของการที่แบบหลงอ่ะแล้วก็อักเสคือแบบมันยังหลงอ่ะหลวงพ่อคือไม่อาจจะเรียกว่าไม่สติไม่ไม่ไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังอยู่ในไอซี แล้วก็ตัวเองก็รู้สึกเป็นโชคดีที่ได้ทํามาหลวงพ่อก็ใจก็นิ่งสงบนะบแล้วก็ค่อยๆดูว่าเออช่วยเหลือก็คือเข้าไปในไอซีแล้วก็ค่ อ, ICU, คอยๆคุยคุยแบบดึงสติให้อยู่ปัจจุบันอนะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็คือมันก็เลยดีขึ้นเหมือนกับดึงยื้อระหว่างความหลงกับสติอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็เข้าไปช่วยกันในห้องไอซแล้วก็อยู่สอยู่สองสาวันก็ขอออกมาเพราะว่าจะได้เฝ้าได้ตลอดทั้งวันก็เปิดพอออกมาจากไอซียูแลหลวงพ่อเปิดธรรมะของพระ อ, อาจารย์อะหลวงพระ อ, อาจารให้ฟังก็ก็ คุณพ่อก็สงบล่ะพระอาจารย์ก็นอนหลับได้สงบแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ดีขึ้นเป็นลําดับค่ะพระอาจารย์ต้อขอบคุณมาแล้วพระคุณพ่อบอกว่าเจอพาาระอาจารย์ด้วยแบบคือกับพาาระอาจารย์มาได้ฝันถึงแล้วก็ได้เห็นสวรรค์เห็นอะไรอะไรอย่างนี้คือรู้สึกว่าแบบคือได้ตเตรียมจิตใจท่านเอาไว้อะรู้สึกว่าโชคดีได้ฝันธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมันก็ฝังอยู่ในใจเราแล้วพอถึงเวลามันก็มันก็โผล่ขึ้นมาเป็นคติเตือนใจเรา คือขนาดขนาดไม่มีสเสติอ่ะก็ยังฝันถึงตรงนี้แล้วก็ทําให้ดึงค่อยๆดึงท่านขึ้นมาได้ดึงขึ้นมาได้ก็ก็แบบตอนนี้ก็วันเดี๋ยพวพรุ่งนี้ไปเฝ้าต่อวันนี้สลับกับน้องบอกขอน้องขอกลับมากลับเรียนพระอาจารย์ก่อนต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วตัวเองก็นิ่งอ่ะคือคือแบบคือรู้สึกเลยว่ามันแบบที่มันทำได้ได้นขนาดนี้เฝ้าคุณพ่อตอนนั้งแต่กคืนตอ น, น, นออกจากไอซีู่เฝ้าตั้งคืนก็เคยในสัญชิกนียพระอาจารย์ก็เลยในสัญชิกทำมันดีที่สุดเพราะแม่เรามีพ่อคนเดียวบุญคุณท่านมากมาย เพระคุณ<ม> <ขา S 1> ค่ะ ม, มีโอกาสมีโอกาสได้ทดแทนเหมคอนคุณที่ทำเส <ะ S 2> ียเดี๋ยวออกมาเยัง จ, จะมาเสียใจในภายหลังว่าไม่ได้ทําเลยทําเต็มที่เลยค่ะอาจารย์เพราะรู้สึกเลยว่า<ร>ไม่เสียใจอย่าง<ร>สิ้นเพราะว่าเตรียมตัวทั้งพ่อทั้งเตรียมใจคุณพ่อบอกหมอว่าหมอเตรียมกายให้แล้วก็ลูกกบพามาเตรียมใจคุณพ่อเข้าใจด้วยนะรู้สึกว่าดีมากเลยอาจารย์ดีนบดูหน่าขอบพระคุณค่ะคุณยศพรอย่างพอวัน กลับมาเทศการพระอาจารย์ค่ะไม่ได้เข้าหลไรอาทิตย์เลยพอดีนหนูมีเรื่องจะมารายงาน น, นิดนึงนิดเดียวแต่ว่าต้องเกิดนิดนึงก็คือปกติหนูเป็นคนใจร้อนมากแบบเหมือนใครพูดอะไรนิดนึงสกิบนิดนึงเราจะแบบเราจะสวนไปทันทีอ่ะสวนทันทีอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องความกลัวเป็นเรื่องเสียใจอะไรหนูยังพอทําใจได้บ้างอ่ะ ทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะยังปฏิบัติไม่มากพอก็เลยตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาก็ปฏิบัติมากขึ้นก็อาทิตย์หนึ่งหกวันห้าถึงหกวันก็คือเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงทําตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วเมื่อวานมันมีบททดสอบเข้ามาก็คือมันมีโทรศัพท์เข้ามาจากจากคนที่หนูไม่รู้จักก็คือเป็นลูกค้าแหละค่ะทีนี้เขาโทรมาดึกมากแล้วแล้วความรู้สึกเราแบบ ถ้าเกิดว่าเป็นหนูปกติหนูจะรู้สึกว่านี่คือเสียมารยาทแล้วเพราะว่าเหมือนลราปิดแล้วอ่ะเราเราจะไม่รับสายใครแล้วอะไรนี้แต่เรารับทีนี้พอโทรมาปับ๊บมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วเขาก็มาว่าหนูเหมือนกับเหมือนเหมือนเรายังไม่ทํายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอ่ะแล้วเขามาว่าหนูหนูก็เลยแบบว่าคือปกติถ้าเป็นปกติอ่ะหนูจะแบบนิดนึงอ่ะก็คือสวนกลับไปเลยอันนี้คือเหมือนกับว่าเต็มเต็มร้อยเอร์เซ็นต์อ่ะเขา เขาใส่ลมให้หนูมาแค่ยี่สิบถึงสาสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นหนูปกติที่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําปฏิบัติเยอะๆอะ่ะมันสวนไปแล้วทีนี้ความรู้สึกเราอะ่ะพอเวลาเขาพูดมาหนูหนูรู้สึกว่าหนูไม่ใช่ระงับความโกรธตัวเองแต่หนูรู้สึกว่าหนูเฉยๆกับคำพูดเขาเหมือนกับว่าเขาเขาจุดไฟให้หนูอ่ะราดน้ํามันจุดไฟแล้วมันไม่ติด แต่ว่าม well ouais. <é en. S 1> uh ัน huh. มันมันก็ไม่ได้รุนแรงมากนะคะอาจารย์แต่ว่าความรู้สึกหนูถ้าเกิดเป็นหนูเมื่อก่อนอะคือตาบะแตกไปแล้วอ่ะแล้วทีนี้เราก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลดีดีดีดีดีแต่ว่าเขาก็ยังใสอารมณ์มาจนหนูรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็เฉยไปเรื่อยจนสุดท้ายมันเข้าใจกันมันก็เลยจบการปฏิบัตินี่ครับเพื่อทําให้ใจเราเย็นหนุ่เบิกามากขึ้นนั่นเอง ใช่ก็คือเบาเบาลงไปเยอะคือปกติอะ่ะคือเขาเขาใส่ว่าเท่านี้นิดๆหน่อยๆหนูก็คือพองไปเลยเพราะหนูเป็นคนใจร้อนคือหนูรู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันทําให้หนูเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะปกติคือจะใช้ไม่ได้เลย<ม>กับพวกคุมิอารมณ์ไม่ได้เลยอันนี้คือเหมือนกับสมมติเต็มร้ออะ่ะหนูควบคุมไม่สักสิบย<ม>ี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการปฏิบัติมาเกือบเกือ บ, บสองเดือ น, นะคะ่ะก็ตีพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นได้ ยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะโอเคยิ่งหนูเคยไปดูอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะที่ไปกับพี่อ้อมค่ะอ่าไปก็ควรจะมีสติแล้วหมดหมดไปละมันก็มันก็มีอยู่อะค่ะแต่ว่าเหมือนกับเรื่องความโกรธมันมันเดวินี่มันยากมากเลยอาจารยนมัน เขาเด้งมาหนูเด้งกลับเขาเด้งมาหนูเด้งกลับมันไม่ได้เลยความกลัวเรายังรู้สึกว่าเราพูดโทรพูดโทรได้แต่อันเนี้ยคือทันทีแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเออมันเฉยอะ่ะ<ม>เขาเขาจุดไฟเขาเ้าราดน้ํามันใส่หนูเนี้ยหนูก็แบบอ่ะโอเคเธอโกรธแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเราจะอธิบายให้เธอฟังอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือช่วยได้อ่ะช่วยได้ดจริงปฏิบัติไปนะมันจะเย็นขึ้นไปเลยเลยพยายามจ้ะโอเค มีอะไรไหยไม่มีหรอกค่ะอาจารย์โอเคให้กําลังใจนะพยายามปฏิบัติไปรักษาระดับการปฏิบัติไว้อย่ายให้ย่อหย่อนนะให้เพิ่มมากขึ้นไปตามระดับใช่แบบเพราะว่ามันมีบางทีขี้เกียจนะมีแน่นอนอืมถ้ามีก็ต้องมีการทําชดเชยอวันนี้ขี้เกียจพรุ่ง้ต้องทําสองเท่าชดเชยนะ เก็ยังมีวันดุดชดเชย ล, ล้วก็ต้องมีวันปฏิบัติชดเชยเหมนกันนีโอเคอาตัคุณโอพีเคมายังไงมีอะไรน้ำเก่าด้ ว, าาาาาาวัสดการพยาบารเจ้าค่ะพยาบาลสบายดีนะเจ้าค่ะสบายดีจ้าว่ารายงานผลเจอคับพายาารก็งดทานขนมเจ้าค่ะวันวันพุธ พี่กับท่านพระอาจารย์ในซูมไปใช่ไหมคะแล้วก็วันพฤหัสคุณแม่ฝงแฟนเอาขนมมาให้ก็เลยปฏิเสธไม่ได้ก็กินไปแต่วันศุกร์มดแต่นัดกับพี่เล็กเจ้าค่ะพระอาจารย์พี่เล็กแล้วพี่เล็กเป็นคนที่ทําขนมข้วยอร่อยมากแล้วเอาโอกาสลูกเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนัด ก, กันไปวัดอะไรอย่างน<ยา>ี้เจ้าค่ะก็เห็นเห็นกิเลสมันดิ้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือไอความอยากกินเพราะว่าขนมขั้วยนี่เป็นขนมที่ลูกชอบมากเจ้าค่ะมีหยิบมาดูจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็ทําใจได้ ก็ก็ผ่านจยะค่ะพระอาจารย์กางรถมาแล้วก็เมื่อวานก็ไปวัดจ้าข้าพระอาจารย์พอไปกลับมาปุ๊บคุณป้าเอาขนมมาห้อยตรงรัข้ขนมขนมห้อยอยู่ตรงรั้เต็มเลยจ้าพระอาจารย์กอสามเยอะแล้วกันไม่เจ้าข้าพระอาจารย์ไ ม, ไม่ทํเพราะสามพวกนี้ก็ไม่มาเลยแปฟงก็ซื้อขนมมาจ้าพระอาจารย์ ทั้ทังแฟนทั้งคุณป้าคุณแม่แฟนก็มีเยนรี่มาเลยแต่วันลูกไปวัดกันเลยเจงแบงแม่นก็ค่ะแต่แต่มีอ่ลูกอยากลูกคนถามอาจารย์สะคะือถ้าเป็นขนมปังลูกเกดอย่างนี้สิคะอาจารย์ที่ทานเป็นมื้อเช้าก็ไม่ถือว่าเป็นขนมหวานนะจ๊ะคะเพราะที่ที่ทานเป็นมื้อเช้าได้เลยไม่ได้ติดก็ค่ะถ้าจะเอา ก็คือว่าถ้าเรากินเอาแบบนี้เสร็จกินแบบเป็นเวลาเวลาแล้วนอกเวลาเวลานั่นก็อย่าไปกินมันจ้ะค่ะจะถือว่าเป็นอาหารไดหมดจะเป็นขนมเป็นอะไรกินได้หมดแต่ให้มันกินเป็นเวลาทนั้นเองค่ะแต่ทานมื้อเดียวเจ้าค่ะพอาจารย์แต่มีบางวันที่แบบว่าอ่าบางทีเอาอย่างไปกินมีบางทีไปกินข้างนอกลูกจะติดไข่ต้มไปด้วยอะไรเงี้ยกินไข่ต้มในรถแล้วก็ พอลงไปที่ร้านไปกินว่าไปกินข้าวที่ร้านก็จะเป็นที่ร้านต่อเลไรอย่าง้เค่ะว่าเอาไข่ต้มไปกินที่ร้านไม่ได้ไเลไรอย่างนี้เจเเ้าค่ะนีะ้เป็นสอมื้อแลกวค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์นู่ก็กินกี่คร<ห>ั้งล่ะถ้ากินกี่ครั้งมันก็สองมันก็เว้ยแกต้องขอบไว้เจ้าค่ะแต่มีมีวันนี้เจ้าค่ะอาจารย์แกก็รู้สึกว่าพอดีวันก่อนลูกไปทําสวนหน้าบ้านเจ้าค่ะแล้วรู้สึกว่าเสียงเหนงยเยอะแล้วรู้สึกใจมันสั่นก็ค่ะพระอาจารย์ อ๋อก็มีกินน้ําหวานไปตอนกบบเป็นปานะตอนช่วงบาง่ายอะไรอย่างงี้จ้าคะ่ะแล้วก็วันนี้ก็มีตอนเช้าก็คือทานน้าผึ้งวันนี้รู้ยังอ๋อไม่ได้ทานข้าวนะจ้ะาค่ะพอาจารย์แต่ทานน้าผึ้งตอนเช้าจ้าคะ่ะแล้วก็มีมะขามป้อมด้วยแล้วก็พอดีตอนเย็นก็มันเหมือนจะใจมันสั่นๆจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยทานน้าผึ้งไปอีกเะรอยงจ้าค่ะน้ําหวานอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าใจเราสั่นเลยวันนี้ก็ทานได้อยู่จ้ะอาจารย์เป็นปานะเองจ้าก็แล้วแต่เราจะกําหนด เพราะว่าเมืกี้พระเจ้าบอกว่าให้ทานน้ำเปล่าใช่ไหมเจ้าคะลูกก็พยายามแบบเพราะแฟนเขาชอบซื้อน้ำหวานมาให้เห็นลูกแบบมันลำบายไม่กิเข้าว่าลูกกินไม่เดียวอะไรนี่ใช่ไหมเจ้าคะวันที่เขาซื้อน้ำหวานมาให้มากเลยอเงี้ยจริงมันไม่มันไม่ตายหรอกใจใส่ก็ปล่อยมันสั่นไปมันี่เลสมันจะหาเหตุให้เรากินจนตได้สนใจจะโดนปัดคะแนนใช่ไหมต้องตั้งกฎจ่าว่านองจากกินอาหารเสร็จแล้วก็จะไม่ไม่เอาเครื่องดื่มนอกจากน้ำเปล่า ถ้าหิวน้ำก็กินน้าเปล่าไงมันไม่ตายหรอกเชื่อเอออถอะแล้วได้กินข้าวหนึ่งมือเต็มที่เลยเวลากินก็กินให้เต็มที่เลยไม่หา้ามแต่เหมือนแต่น้ํามันทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยแล้วมันก็อยู่ได้นันเองมันลงขึ้น<า>ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็หาข้ออ้างอยหรืออีไยการสานมากทานู่นทํานี่มากแต่จะเอาการเดี๋ยวต้องต้องไปปรับ ใช่จ้ะค ะ, ะจะพยายามว่าขึ้นจ้ะพรอาจารย์จะคะแล้วบอกค่ะอย่งนี้ถือเป็นความโลภไหมจ้ะคะมันรู้สึกว่าอยากรักษาสิทธแต่มากขึ้นเลยจ้ะคะ่ะอ๋อโลภดีมันมีมโลภดีกับโลภไม่ดีโลภดีกับโลภไม่ดีความโลภดีก็เรียกว่าเป็นเป็นธรรมะอยากถือสิทธิ์แต่อยากปฏิบัติธรรมอย่างอะไรนี่เป็นความโลภที่ดะะีเพราะว่าเห็นถึงความต่อเ น, นื่องจ้ะคะ่ะอาจารย์อย่างทิตที่แล้วเนี่ย ลูกอ่าเสิ้นแปดเจ็ดวันในสักขัดแน่ว่าจะมีปรีมาทํางานบ้างแต่คือเน้นปฏิบัติรู้สึกว่าอยู่กับเวทนาได้ได้นานขึ้นเจ้าค mm ่ะพรอาจารย์คือเหมือนอาทิตย์ก่นอนลูกยังรู้สึกว่าทุกขเวทนาอยากให้มันหายพอพอนั่งไปเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มอยู่กับเวทนาได้มากขึ้นแล้วไม่ไม่ได้จนุกนายเหมือนพูดที่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ทุกคนาทำไมลูกปวดป ว, วดมากเลยแบบต้องขยับอะไรเงี้ยอ๋อมันเลยเล ย, เลยประมาณสองชั่วโมงไปใช่ไหมเจ้าค่ะซูงตรงที่ลูกไม่ได้เปลี่ยนท่านั่งเลยก็ค่ะแต่พอ รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกก็คือนั่งให้ให้ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งอะไรไหมจ๊ะคะเหมือนวันนี้ก็ตั้งสัจจะตอนช่วงที่ฟังทำเทปธรรมะบนเขาจ้ะคะอาจารย์ก็เลยคือสินแปรก็จริงวันนี้แต่ว่าทํางานไปด้วยจ้ะค่ะก็ตั้งสัจจะเลยว่าอ่าฟังเทปธรรมะบนเขาจากท่านอาจารย์จบถือจะลุกถึงจะมีเวทนาขนาไหนก็จะจะไม่ลุกอะไรอย่างนี้จ้ะค่ะอาจารย์ก็ผ่านเจ้าค่ะวันนี้มันก็มีเวทนานะจ้ะค่ะอาจารย์แต่รู้สึกว่าใจมันจะทุกข์กับเริ่มเริ่มอยู่กับเวทนาได้จ้ะค่ะอาจารย์จะด้วววยิธีบอก่า อ่าเอาคาบริกรรมก็ตามหรือว่าพิจงงารณาก็ตามใช้ขันติช่วยด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีก็ไปดูตัวเวทนาบางทีก็ใช้ขันติเอาเจ้าค่ะร<ล>ู้สึกว่อทำยานยาไปเกิดความอยากให้มันหายเงีอยากเจนีอยากมันไปท่านหนึ่งเริ่มเริ่มอยู่ได้เนีย่ยสิคะพระอาจารย์ความอยากที่บอกว่าอุย้ยเจ็บเจ็บอยากให้มันหายอะไรเงี้ยมันเริ่ ม, มลดลงเจ้าค่ะเห็น ไดนะ้ทำรู้สึกว่าลูกอยากถือสินแฝมากขึ้นแต่ติดตรงที่ว่ า, าลูกเลยอยากกะเรียนถามพอาจารย์ว่าความละเอียดของการรักษาสินแปนีนจา้าค่ะระอาจารย์อย่างข้อสามเนี่ยเวลารับของยื่นของกับมือกับแฟนอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์แล้วข้ามถนนเข้าจูงมืออะไรเงี้ยก็คือคือจะผิดสิงข้อ น, นี้ไจคะ่ะเขาก็เหมือ น, ยนอยากคือเราบ้า ง, างจริงผิดสิงนีมตอบทำไมไปรวบรวมนอนกันนะ ถืวอว่าผิดสินเข้เนี่ยแต่ว่าเขาป้องกันไว้ไม่ให้อยู่ไม่ให้น้ำมันกับไฟมันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะลุกมันจะลามอ๋อแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเจ้าค่ะพีจางก็คือปอนเด็กก็ อ, อยู่กันบแบบแบบไที่กันน้องอะไรนี้เจ้าค่ะเราไม่ไปแตะเนื้อต้องตัวกันก็ดีเพราะไปแตะเนื้อ ต, ต้องตัวได้ไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เข้าใจไหมแต่ว่าถ้าแตะเนื้อต้องตัวคืออย่างอย่างเวลาเรียกชื่อแล้วไม่ได้ยินเนี่ยเข้ามาตะกี้ว่าเออ โอ้ oh, ไม่ไม ulator, แตะแตะตัวไม่เป็นไรเช่นจักรพรรดิจู่มือข้ามหุ่นอะไรอย่างนีถ้ายากจะเข่งก็เอาไม้มาแตะแทนก่อนอาไม้มันทาาก็แตะหน่อยอะจุ่มือกันก็เอาไม้จุ่มจับไม้จู่กันอย่างผ้าเวลารับประเกคนของผู้เวลาผ้าประเกณฑ์ของโยมผู้หญิงยต้องใช้ผ้าเลยไม่ให้ไม่ให้ร ar ับต่ำเลยตรงกลัวเดี๋ยวมันไปผ้าแล้วไปแตะเนื้อต้องตัวแล้วมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ค แต่สหรับตัวลูกเองรู้สึกว่าข้อนี้จะจะเรื่องนี้จะไม่ไม่ค่อยผ่านจ้าแล้วไม่ไปร่วมหลับนอนกันก็ไม่มีปัญหาไม่ไม่ผิดเป็นแต่ว่าเขาเขามีมาตรการบ้องกงงันไว<า>้ม่ให้ไปทิ้งขีดนั่นไงเพราะว่าอย่างอย่างวัดประจําที่ลูกไปอะท่านจะไม่ให้ยื่นของกับมืออะไรนี้จ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือกับเพศตรงข้ามอะไรนี้เจ้าค่ะอืแต่ว่าหลักๆคือเน้นแบบว่าเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยคือไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กันอย่างนี้ใช่สุภาจารย์ใช่ไม่ให้ร่วมหลับนอนกันอ๋อจค่ะ แล้วอย่างสิ่งข้อเจ็ดเจ้ค่ะพระอาจารย์ก็คือถ้าตรงนี้ลูกผ่านได้ลูกสามารถรักษาสิ่งแปดได้ตลอดนะเจ้าคะคืองานของลูกเจ้ค่ะพระอาจารย์หมอสมบันเทิงทั้งหมดก็ไม่ไม่ดูไม่ฟังร่างกายก็ไม่เสริมสวยความงานทําความสะอาดก็พอทำน้ำล้างหน้าให้มันสะอาดวิภาควิภพอให้มันสะาก็พอไม่ต้องใช้เครื่องาำอาไม่ต้องใช้น้ําหอมน้ํามันอะไรเสื้อผ้าก็ไม่ต้องลูบเสื้อผ้าก็ไม่ต้องแบบทุดชาน เพื่อภาไม่ให้ใส่เพื่อเสริความงานใส่เพื่อปกปิดร่างกายจช่ไหมคะเพาะจะในครีมอาบน้ําเจ้ า, งงาจค่ะก็คือในครีมอาบน้ําของเด็กแต่มีกลิ่นเหมือนกันแต่ลูกไม่ได้ติดกลิ่นนะคะที่ใช้เพราะว่าเนื่อจากว่าคือเราไปใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้แล้วมันจะเป็นผื่นอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็เลยต้องใช้ยี่ห้อนี้แต่มีเป็นกลิ่นน้ําหอมแบบจางๆที่ลูกไม่ได้ติดกลิ่นน้ําหอมเขาค่ะจะใช้พวกไม่แพ้อะไรอยงี้เจ้ า, าอืะอันนี้ก็แล้วแต่เรา แต่ครีมก็ไม่ได้ทาเลยค่ะอาจารย์ได้แตะเขา้าซูใหม่ใหม่ที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปทาอะไรเงี้ยตอนนั้นจะ<ม>แตะหน้าก็แบบไม่ไม่ได้ทาค่ะตั้งแต่ช่วงเข้าซูมาไปแตะครีมอยู่แค่ไม่ถึง5้าครั้งาาานึเจ<ม>้าค่ะอาจารย์แต่ก็มีมีแบบว่าเหมือนขอบปากนิดค่ะอาจารย์เวลาแพ้ลูกก็จะเอาวาสลีนมาแตะหน่อยเพราะว่ามันลอกอะไรกันเจ้าค่ะ<ม>ก็คือถ้าเป็นการรักษ า, าถ้าเป็นการรักษาใช้ได้อยู่ถ้าเป็นงานเสริมวสวยความงามใช้ไม่ได้ ก็อาจารย์เล่า ง, งานของลูกเจ้ะคะ่ะก็คือว่าอย่างลูกขายของใช่ไหมเจ้ะค่ะเกี่ยวพวกอ่าการ์ตูนญี่ปุ่นอย่านะคะเวลาลูกซื้อหาของเนี่ยมันก็จะมีเป็นภาพการ์ตูนภาพอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือเราปัดเป็นเรื่องของงานอย่างนี้จะจะมันจะโยงมาเรื่องสีนข้อ น, นี้ไม่เจ้าค่ะเป็นความบันเทิงคือเหมือนกับว่าลูกหาสินค้าว่าสินค้าเรื่อนี้นเรื่องอะไรอย่นี้เจ้าค่ะทีนี่เรื่องอะไรถ้าเราไม่ดูเพความบันเทิงก็ไม่เป็นไรถ้าดเพื่อ <c oughs> เป็นการทํางาน เพราะว่ายูทูบลูกเขาไม่ติดแล้วนะเจ้าค่ะพี่จแต่ต แ, แต่รับปาพอาจย์ตั้งแต่ข้าวูใหม่ๆเหมือนกัน้ค่ะเมื่ก็จะชอบดูคลิปลิงคลิปตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็มมไม่ไปได้ดูถ้ามันเป็นเรื่องงานก็ต้อ ง, ต, องต้องอนุโลมไปเพราะเรายังต้องทำงานอยู่แต่ถ้าเราไม่ทำงานเลยก็อย่าไปอย่าไปดูมนเลยค่ะไม่ไม่ค่อยได้ดูเลยค่ะพีาจันเพราะว่าเมื่อก่อนโน้นลูกติดการ์ตูนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับงานก็เลยต้องดูการ์ตูนงการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะติดเกมด้วยเี้าค่ะ ก็คือตอนนี้ติดแค่ว่ายังสงสัยแค่เรื่องว่างานที่แบบต้องเข้าไปเสิร์ชหาแล้วมันเป็นภาพการ์ตูนบางทีต้องเข้าไปดูว่าการ์ตูนเรื่องนี้ใครเป็นะเอกอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์ก็คือแต่เราไม่ได้ดูพวกความบันเทิงอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็ก็ยังได้ใช่ไหมจ๊ะได้เราแค่ที่ก่อนนี้มีอะไรไหมได้จ้าค่ะอาจารย์ที่จริมีหลายคำถามจะเก็บไว้ทิตยหน้าเจ้าค่ะมีคนลอยอย่างกหนึ่นะคะกล่าวขอบพระคุณไปอย่างสูงเจ้ค่ะสาธุเจ้าค่ะ คนที่คนนิสา L A ยังไงคนนิสาได้ยินไหมเก่าในมั ส, ส ก, การคะ่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ไม่มีคําถามนะคะพระอาจารย์เช่นเคยมาขอร่วมรับฟังอ่ะคะ่ะได้ข้อคิดดีๆเยอะคะ่ะเ่็กสาวเชิญค่ ะ, ะค่ะพระอาจารย์ค่ะขอพระอระจาจารย์รักษาธาตุขันนะคะ บางที่คนยินดีแอนส์ซ์ตอบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะก็เข้าท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็เดวิดด้วยค่ะก็บอลสองยังนบอกขอบคุณนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์คุณซันนี่แงบงก์ก็คุณซันนี่มีอะไรไหม เกิดนมัสการพระอาจารย์ค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมไม่มีคําถามค่ะอะไรที่คนเ อ, อือใช่ไหมคณเ อ, อือใช่ไหมใช่คนเอื้ออยู่ที่ไหนยังไม่ได้เปิดไมเลยลเร า, าเปิดไม่ไม่เปิดแล้วนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะมีคําถามค่ะคือเป็นความตะกิดตะขวงในใจคือเมื่อ เมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะก็เกิดอุบัติเหตุคือแมวเป็นแมวจรที่อยู่ประจำซอยแล้วบังเอิญข้างบ้านเขาเอ็นดูเขาก็เอามาเลี้ยงแบบให้อาหารบ้างแล้วเขาก็ตัวเนี้ยก็เลยมาติดกับข้างบ้านแล้วก็มานอนอยู่หน้าบ้านของข้างบ้านนะคะแล้ววันนั้นเอื้อก็ขับรถมาแล้วบังเอิญไปทับเขาเขาก็เสียชีวิตเขาก็ตายอ่ะคะ่ะแล้วก็ เราด้วยความอุบัติเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจก็คือเป็นหนึ่งกรรมที่เกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็เออันนี้ก็พอเข้าใจได้ว่ามันผ่านมันเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเราก็ทําใจได้อุทิศบุญกุศลขอโหสิกรรมกับเขาไปแล้วนะเหตุการณ์วันนั้นคือแม่ของข้างบ้านนะค่ะเขาก็ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยซึ่งแมวตัวเนี้ยลูกชายเขาอะ่ะรักเขาก็เลยคิดแทนเราว่า เขาก็จะให้เรากับน้องชายเราโกหกโกหกลูกชายเขาว่าเป็นรถคันไหนก็ไม่รู้มาทับซึ่งไม่ใช่เป็นรถของเอือ้อเงี้ยค่ะเราก็เราก็รู้สึกแบบตะคิดตะขวงในใจอะค่ะพระอาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาให้เราโกหกแต่ว่าเออเื้อก็ไม่ได้โกหกไปเพราะว่าลูกชายเขาอะจะอาทิตย์หนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่งเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะพระอาจารย์ ก็มันรู้สึกแต่ขิดสะ่ขนใจว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะค่ะอาจารย์เลยไม่รู้จะเป็นความขี้ขาดในใจที่เราจะพูดความจริงดีไหมหรือถ้าเขาไม่ได้ถามเราก็ไม่ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ถ้าไม่มีใคถามก็ไม่ต้องพูดถ้าจะถ้าจะพูดก็พูดความจริงไปอืมค่ะเพราะว่ามันพูดไม่ไม่เป็นความจริงแล้วมันก็ไม่สบายใจใช่ค่ะคือทุกวันเนี้ยก็ยังมีความรู้สึกว่า เอ้เราไม่อยากเจอหน้าเขาเราไม่อยากให้เขาถามถึงเหตุการณ์นั้นอะไรแบบเนี้ค่ะอาจารย์แต่ก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาถามขึ้นมาแล้วเราก็จะบอกว่าเอาเป็นลถเราเองซึ่งก็จะไม่ตรงกับที่แม่เขาบอกลูกเขาอย่างนี้ยค่ะก็ช่วยไม่ได้แต่แล้วแต่คนอย่าพูดเลยแล้วแล้วแต่เราห้ามเขาไม่ได้แต่เรารู้ความจริงถ้าเราจำเป็นจะต้องตอบก็ตอบความจริงไปหรือถ้าเราเลี่ยงได้ไม่ไม่ขอตอบก็บอกเขาไม่ขอตอบดีกว่า มันเป็นความที่ขาดในใจไหยคะพระอาจารย์รู้สึกว่าทําไมเราไม่กล้าพูดหรือบอกเขาไปเลยว่าเออเราขอโทษนะที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีส่วนน่ะเพราะว่าเราไม่กล้ารับผิดชอบคือคือถ้าเกิดแม่เขาไม่ก็ไม่ได้โทษแม่เขาค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดเราบอกเลยเราก็ตั้งตั้งใจจะบอกแบบนั้นอยู่แล้วดังว่าเอิญแม่เขา หวังดีกับเราเกินไปว่าเขาจะบอกลูกเขาแบบนี้นะให้ทุกคนบอกตรงกันอะไรแบบนี้อคะ่ะเขาก็กลัวว่าลูกเขาจะบาดหมางใจกับเราค่ะ อ, อันนี้ก็เรื่องของทางโลกแหะมันก็มีรายงานหลายมุมด้วยกันแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องยึดความความจริงไว้เป็นหลักเพราะว่าเราเราต้องรักษาใจเราให้ซื่อสัตย์สุจริตไวม ส่วนเราอื่นเรายินมเราพรอมที่จะรับกับข้อกรรมของเราที่เราทําไปจะดีกว่าค่ะคือเรื่องการการที่ทําำลายเขาอ่ะเอื้อเข้าเอื้อเข้าใจได้แล้วเอื้อก็ยอมรับเหตุและและผลที่มันจะเกิดขึ้น<ม>เพราะว่ามันก็เกิดจากการที่เราไม่ได้เจตนาจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุเนี่ยค่ะแล้วลูกชายก็อาจจะไม่อาจจะไม่ได้คิดเหมือนแม่เขาคิดก็ได้ลูกชายก็อาจจะเป็นคนที่รับความจริงได้อะไรก็ได้ แ, แล้วก็เราไม่รับก็เรื่องขเขาไปนะแต่การที่เราจะต้องมาเสียใจเสียสเสียสัจจะเสียสินนี่มันไม่ไม่ไม่ถูกคนระับตอนนี้ยังไม่ได้เสียเสียสีนข้อนี้ค่ะครอาจารย์ซึ่งซึ่งเขาอาจมันเหตุการณ์มันผ่านไปเป็นเดือนแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วเขาก็ไม่ได้ถามถึงพาไปก็คงจะผ่านไปได้แตนะ่ถ้าจําเป็นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามต้องรักษา สัจจะไว้เนี่ยพูดอะไรต้องพูดความจริงเนีพระเจ้าสอนลูกชายที่มาบวชเป็นเนนพระราหุนเนี่ยถึงเรื่องของความมีสัจจะเนี่ยนั่นตักน้ําขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็พวกน้ําเนี่ยคือความดีที่มีอยู่ในใจเราทุกครั้งที่เธอพูดบดพระพุทธเจ้าก็จ ะ, ะเทน้ําทิ้งออกมาหน่อย ท, ทิ้งน้ําออกไปหน่อยทุกครั้งที่เธอพูดปดเธอก็จะเสีย ความความดีในใจของเธอไปทีเราเนตเธอหน่อยถ้าพูดปดไปเรื่อยๆต่อไปก็ไม่มีความดีนองเหลืออยู่ในใจของเธอเลยสอนพระราหุลให้รักษาสัจจะไม่ให้พูดปลดนะรักษาใจดีวัรักษาความดีงามไว้ในใจเรานีกว่าส่วนนังเอย่างมันจะต้องเสียก็ายามเสียไปการปัญโกรนเราก็ปล่อยห้องปกรไป นก็จะจองเวรจองกรรมแล้วก็ปล่อยว่าจองเวรจองกรรมไปเราย่อมพร้อมที่จะรับเวรรับกรรมของเราไปดีกว่าได้คะ่ะพระอาจารย์ดีคะ่ะเพราะว่ามันคือความจริงอ่ใช่แล้วความดีนี้มันจะทําให้ใจเราสงบอย่าเราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่วุ่นวายค่ะม้าทําโกหกแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายใจไปตลอดชีวิตใช่คะ่ะไม่ได้อยากคําค่ะแบบ เพียงแต่ว่าแค่เรามานึกว่าถ้าเขาถามเราจะพูดยังไงแม่เขาบอกแบบนั้นแล้วเราจะพูดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะพูดไงก็ปล่อยเขาพูดไปในเวลาเราจะพูดอะไรเรา ก, เราก็เราก็ตัดสินใจพูดตามกตามตามธรรมะที่เรามีอยู่แล้วกันค่ะค่ะแม่เขาแม่เขาไม่มีธรรมะเขาคิดไปเลยในในทางโลกแต่เรามีธรรมะพ ร, เระเจ้าสอนว่าธรร ม, รมะให้มีคุณค่ายิ่งกว่ายัางอื่นแม่แต่ทรั ได้บอกให้สละทรพย์เนี่ยสละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเข้าใจค่ะอาจารย์งานหน้ากับตาเองอย่างหลวงตามาบนนั้นก็คอยพูดว่าเราไม่เก่งใจคนนะเราเก่งใจธรรมถ้าเก่งใจคนทําก็แหละใช่ไหมถ้าเราเก่งใจแม่ทําตามที่เขาพูดเราก็ทำํำมาความดีในะใจเราก็อืหายไปสัจจะความดีก็หายไปเพราะเราไปโกหกออื แล้วอย่าไปโกหกเพื่อคนนั้นคนนี้ได้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะไว้รบกวนเวลาทุกคนค่ะย่าตาทุ่มตาทุ่ค่ะสอบคุณอ้องพรดาอันนั้นจะเข้ามาชีเป็นยังไงขอรัชกาลค่ะสบายดีค่ะอาจารย์ข้าว่าปฏิบัติธรรมแล้วอยู่บ้านเฉยตอนนี้ทําปฏิบัติที่บ้านอยู่ค่ะพระอาจารย์เรียนในห้องพระค่ะนอน ไม่จริงนะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเสื้อนอนอยู่หค่ะอ่าดีแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าครับไปบนเขาค่ะโอเคไปบนเขาก็ยังอดอาหารเดือนผ่านมันไม่เลิกค่ะอ่าดีมากเพราะส่งเสริมอืมต้องปราดเปลญะค่ะมันดีค่ะสำหรับผมดีค่ะเราเราไปไกลแล้วไงอดข้าวได้บางคนเดี๋ยยังขนมยังอดไม่ได้เลยนี่เราอดได้หมดเลย ค่ะเจ็ดวันได้ค่ะตอนนี้ทำอยู่ได้เจ็ดวันที่ยังรู้สึกกําลังดีค่ะพระอาจารย์กําลังดีไม่ไม่บ้าเพราะว่าถ้ามันเลยสามวันไปแล้วเนี่ยคือมันไม่หิวแล้วมันโอเคแล้วอันโเะที่มันมันสามวันได้นี่มันดิ้นหน่อยสามวันแ้กมันดิ้นหน่อยและนิดนิดนึงแต่หลังหลัมันก็แค่มันจะไม่มันรู้แล้วมันรู้แล้วไงมันดิ้นไม่ได้ มันยอมแล้วค่ะก็รู้สึกดีเลยต้องเอามันแบบนี้ต้องเอามันหนักหนักหน่อยมันถึงยอมถ้าไปดรูปหัวมันมันไม่ยอมอะแลก็ให้อ่อนให้มันเท่าไหร่ค่ะบางทีมก็ดูเหมือนเชื่องดีนะคะแต่บางทีมก็ แต่มันก็มีมาตรการเสียซ้อนเล็บอย่างม่เป็นเสียซ้อนเล็บเยอะเราก็มีมาตรการที่อาจารย์เคยสอนแล้วก็คู้ดออกมาให้หมดอย่าอย่าประมาทนะค่ะมันมันต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยๆตามดังที่มันยังยังไม่ตายหมดเนี่อย่าประอย่าไปนอนใจนะค่ะอาจารย์ไม่ประมาทค่ะโอเคนรคุณครับสวัสดีค่าอาจารย์สายทริปอดอะไรได้บ้างตอนนี้ อดไปแล้วกลับป้าอดเลยอดไปว่าแบบแบบแกลับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ็ดวันนี้ก็ส่วนใหญ่กินแค่มือเดียวค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจะมีสองมือคือไปเจอเพื่อนแล้วเขาเขาเขาอ่าเขาสั่งอาหารมาแล้วเขาก็ถามว่าเราตัดเล่นมือนก็บอกว่าไม่กินเขาบอกไม่กินเลยแล้วก็เอากินก็กินอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ก็เลยกินเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แต่ก็เฉพาะวันนั้นค่ะกินเมตตาเมตตาเหลือเกินถ้ากินเพื่อเขาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไม่มีคนหันค่ะพระอาจารย์เป็นข้อแล้วเราไม่กินแล้วเขาจะตายหรือเปล่าถ้าเราไม่กินเพื่อเขาเป็นเพื่อาเขาไม่ตายค่ะพระอาจารย์กลัวเขาไม่มีคนหันค่าค้าหันกันวันหลังก็ไม่กินก็คือไม่กินนะคะพระอาจารย์กินง่ายกินมีมีความแบบว่าอ๋อากินก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ ส่วนขนมก็ก็ไม่ได้ซื้อกินเองเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เ อ, อมีมีวันนี้นค่ะไปกับน้องอีกคนนึงเจอขนมที่ถูกใจก็มองอโอเคไม่กินไม่ซื้อค่ะพระอาจารย์แล้วก็แต่ว่าจรงิงๆขนมก็มีคนหามาให้กินหมายถึงว่าโดยโดยเดี๋ยวมีประชุมเดี๋ยวมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็ถ้ามีหนูก็เก็บไว้กินแค่มือเดียวค่ะ ถ้าถ้านั้นก็ก็ไม่ไม่ได้กินค่ะพระอาจารย์ถ้าจะกินก็กินกับอาหารไปเลยให้มันเป็นเหมือนกินพร้อมไปมือเดียวเลยได้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวไปไม่ใช่กินจุกกินจิกกินทั้งวันเนี้ยค่ะตอนนี้ก็ก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่จุกจิกเหมือนเดิมค่ะน้ําหนักก็ลงไปเกือบสองกิโลค่ะพรอาจารย์ลงแล้วก็ก็ช่วงแ็กๆวันแรกๆก็ เพิ่งได้ยินเสียงท้องร้องครั้งแรกหลังจากที่ไม่ไม่ร้องนานแล้วค่ะพระอาจารย์<ม>พราะทุพทีอิ่มตลอดก็เลยอ้อท้องร้องแล้วแสดงว่ามันมันหิวจริงแต่ว่าก็ก็ก็ก็ทนได้ค่ะพระอาจารย์มาถึงคิดถึงว่านั่งสมาธิมันเจ็บกว่าหิวนี่มันกระจิงเดียวก็ก็เฉยๆกันเมื่อเทียบกับตอนที่นั่งแล้วมันจะช่วยเราต่อไปนั่งนั่งแล้วทนกับความเจ็บได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็อืม เรื่ออาหารนั้นน่าจะน่าจะทําได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ขนมก็เหมือนที่ที่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ไม่ซื้อไม่ไม่ซื้อแต่ว่าถ้ามีก็ก็ก็กินในมื้ออาหารนั้นถ้ามีคนอื่นซื้อมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะกินข้าวก็คือสมมติว่าถ้าจำเป็นอย่างเช่นต้องมีนัดเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มื้อเช้ามื้อเที่ยงก็จะยกยอดไปเป็นมื้อเดียวเป็นมื้อเย็นที่เขานัดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ดีก็ปรับตัว จะได้ไม่ไม่ไม่ไขาดทุนแต่อาจจะไม่ได้สินแบงค์เป็นแบบเป็นตังเป็นชามแทนตอนเช้าค่ะก็เลยคิดว่ามือเดียวอยู่ได้ค่ะพระอาจารย์อก็ดีค่ะมีอะไรไมแต่ไม่มีละค่ะไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะจะวันนี้แค่นี้ค่ะโอเคสาธุ ไปที่คุณแนนคุณนอนทานเอยังเปิดใหม่เลยอ่าก่าวรนสกค่ะอาจรไม่มีคำถามค่ะโ okay. อเคอฏิบัติไปเรื่อยๆนะเจ้ค่ะสาธอ่ไปที่คุณทรงสุดาคุณทรงสดาอยู่ที่ไหนเหอ่ยกรุงเทพใช่ <okay. S 2> ค่อาจารย์กลบาวธรรมนัสกากันไปช พระอาจารย์ขาวนี้อยากถามพระอาจารย์เกี่ยวกับคําสอนพระอาจารย์สองอันที่เกี่ยวกับอารมณ์นี้เนี่ยค่ะพระอาจารย์ผลิตจริงๆมี ม, มีมีความทุกข์ใจมีความทุกข์ใจไม่ชอบเวลาที่ใจมีาอารมณ์แย่ๆพระอาจรย์เอ่ออารมณ์ที่มันเกิดจากสิ่งกระทบภายนอกที่ทําให้เราโกรธอันนี้ก็ได้เข้าใจพระอาจารย์แล้วมันเกิดจากความอยากเวลามันเกิดแล้วก็จะ เฉยๆล้วพิจารณาว่าอยากอะไรแต่อารมณ์ที่มันอยู่คนเดียวมันก็ขึ้นมาเหมือ น, นความกังวลความกลัวพวกนี้ค่ะอาจารย์ร mm hmm. ู้สึกว่าเราอยากให้ใจเราเนียค่ะอาจารย์ mm hmm. จริงๆมันมีคําสอนอันนึงพระอาจารย์เพาะนั้นหนูเห็นแค่คําสอนที่มันมันธรรมดาาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาค่ะอาจารย์อันนี้พอพอฟังคําสอนนี้ ที่พรารยเขียนตรงตรงสงดาบาันเนี่ยรู้สึกว่าเออจริงอารมณ์มันก็น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพระาจารยทุกอย่างเือนกันหมดทุกอย่างเป็นตายรับหมดนะทักรูปกลนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในภายในกายก็ตายรัในเวทนาก็ตายลัภายในจิตมันก็ตายรับเหมือนกันอืมค่ะ <c oughs> พอพอพอมันมันสะดุดตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยฟลายเวลามีความกังวลมันก็เลยทําให้เราเฉย เฉยได้อาจารย์เราก็ทําให้เราเห็นรายละเอียดมากขึ้นอาจารย์อย่างวันนั้นมีมีความโกรธน้องที่ทํางานนี่เขาเขาไม่เสร็จงาของก็ต่อว่าทุกงานของเรามันทําให้เห็นรายละเอียดของจังหวะที่เริ่มจะเกิดความโกรธแล้วก็ใช้ที่ พ, พระอาจารย์สอนว่าเอาตัวอย่าเอาตัวตวนออกไปครับก็ยืนให้ให้รู้อย่างเดียวเอาตัวรู้ไปหลับก็เลยหลบบมันก็เลยไม่เกิดความโกรธเลยอาจารย์เขได้เห็น เปลนที่ป่อาจะรยเข้าใจเพราะว่าว่าเอาตัวรู้ออกไปรอด ก, กับมันเปนงนเทเล<ะ>ตัวรู้เป็นทรรมเนี่ยใช่อาจารเห็นเห็นชัดขึ้นมากอนาะจารย์สักแต่ว่ารู้อาจารย์พูดได้สลับไ้สักแต่ว่ารู้ใช่สักแต่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปหรือสักแต่ว่าเห็นไปไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องมีอะไรอารมณ์กีกับสิ่งที่เรารับรู้ อย่างนั้พูดต้องคุยต้องตอบต้องก็ใช้ใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาพิจารณาไปแล้วอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งคำสอนที่มันรู้สึกว่ามีข้อสงสัยนิดนึงคือเดิมเนี่ยจะรู้สึกว่าใจที่มันกั ง, งวลที่มันโกรธนะชั้นโกดเนี่ยมันทําให้เราถูกเชิงอาจารย์อมัมามเ อ, อแต่วันนั้นมันมีตรงที่ว่าอาจารย์เทศเรื่องที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสัตวงงอะค่ะ มันมีตรงหนึ่งที่เขียนเา้าใจอธิบายว้ว่าความรู้สึกนึกคิดหรือสภาวะธรรมในจิตเนี่ยมันก็เป็นไตรลักษณ์หกันความหลงที่เราไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวโนแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนีง้อันนี้ตังหากที่เป็นสิ่งที่กระชบใจทาให้เราทุก็ได้ส่งสัยว่าแปลว่าที่หนูเข้าใจได้ว่าตัวอารมณ์มันทำให้เราทุกจริงจริงมันวิชาชีพะจะ โดยความอยากให้อารมณ์นั้นมันไม่เกิดให้มันดับไปมันทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเรายอมรับว่าในจิตของเราก็ยังต้องมีอารมณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีสลับกันไปเพราะมันยังเป็นตายรักอยู่เพราะมันเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นที่เป็นตายรักทั้งหมดสยเกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงกลิ่นรสไปเกี่ยวข้องกับเวทนาสัญญาหลักฐานวิญญาณซึ่งเป็นตายรักทั้งหมดอยู่นั่นจะทำให้มัน มันไม่เป็นตายร้าไม่ได้ก็ต้องเป็นไ ป, ไปเป็นแต่ละห้อให้เรารู้ถัดแล้วก็ปล่อยวางเหมือกัเราปล่อยร่างกายปล่อยเมตนาแล้วเองอยากปอยากให้เป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชัดเจนมากค่ะอาจารย์ที่พอาจารย์อธิบายทาั้งมันมันลวกทั้งความรู้สึกในคิดอารมณ์ต่างๆที่ในจิตที่สารคดีมันดันเป็นอนิจจานัตตาเราเรามันขนับไม่ได้ค่ะ ไอ้นู่นเฉยๆไปนู่นมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปดับอีกอีกคําถามนี้นึงมีความสงสัยเวลาจิตเราที่มันมันมีความผิดปกติพวกเนี้ยจะมีข้อสงสัยในไอ้มันเหมัอนชีวิตะนะหมือนชีอารมณ์เราต้องรู้ดลค่ะพระอาจารย์เราดูแค่จิตเราไม่ปกติคือส่วนว่ามันมันมีแบบอยู่ดีใจเมื่อขุ่หงัวขึ้นมาเนี่ยคะอาจารย์ เรารู้แต่เราไม่รู้ว่ามันชุ้เราต้องรู้ไหมคะอาจารย์ว่ามันชุ้เวทนาอยู่คะตรงหน้าเราอยู่คนเดียวมันติดมันไม่ปกติขึ้นมาถ้าเราไม่ทุกขกับมันเราก็ไม่ต้องทํำอะไรได้รู้ว่าเราไม่ต้องเหมือนกับทุกกับเวทนาถ้าเราอยู่กับทุกขเวทนาได้นเราก็ไม่ต้องทำอเลยคือเราไม่ต้องพยายามรูว่ามันเปตาไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับวันดี ไม่ต้องไปนิยามว่ามันชือเวทนานอารมณ์ใดๆก็ให้นู่ว่าเป็นอย่างนี้นะอฮะเราอย่าไปยุ่งกมันปล่อยมันอย่าไปอยากให้มันหายหรือยอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันอยู่ไปเป็นไปตามความเป็นจริงของมันอ่ะเราะประมาณนี้แต่คําสอนสองอันนี้ยครัอาจารย์หนูก็มันช่วยให้เราเชื่อีกข่าวอารมณ์ได้ได้ละเอียดขึ้นมากนะะอย่างรักษาตัวล่าสุด มันเริ่มเนี่ยเอาใจเฮ้ยทำไมวันนี้มันกลังวลขณะที่ผอจะถึงเสาร์อาทิตย์ต่อไปเรจะดีใจได้อกนะคะก็เลยมันนั่งหลงอะไเงี่ยเพราะมันเฉยก็เอารมณ์มันก็ช่างมันเฉื่อยก็เฉื่อยก็เลเห็นว่าอ๋อเราอยากเราไม่อยากไปไปถึงไปรักษาตัวเช่ไหมจ้าจิตมันก็เลยเฉยจนในห้องก่าตัดก็อย่างที่คุณหมอที่มันเคยมารบกวนเราพอหมอเข้ามาปุสิจิตมันตกไม่สอดจิตกระพั้นจ้ามามันมีรายละเอียดที่เปลี่ยนไปมากค่ะจ้า จากที่เราตัวก็พรอาจารย์ก็สอนว่าให้มีพุโทโธเป็นที่พึ่งจนแบบทาตัวมันเป็นเพื่อนเราจะอะมาและเข้าพุโทโธจนครั้งนี้มันมันเฉยทุกทุกสิ่งที่มากระทษเป็นะอาจารแล้วก็เหมือนเราเราไม่สนใจวิถีธรรมเลยพยายามดูแต่อารมณ์ที่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเราเฝ้าระวังอารมณ์ในใจซึ่งตอนมีอะไรสักชิ้นสงบ ส้มไปจนเสิทธงกันสิจำยงแล้วเล่าเฝ้าดูปฏิกิริยาของเราต่อสิ่งต่างๆนั้นอย่าไปมีปฏิกิริยาแับอะไรทั้งสิ้นให้รู้เฉยๆอย่าไปรังชัโกรหลมเป็นเป้าหมายเาในะครับอาจารยเข้าใจไหมเข้าใจัอ่อกอร่อยมากก็เป็น ห, หน้าตาเราก็ไม่ไปมีอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปทาอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ อีกนี้นึ่พระอาจารย์คล้ายๆก็ว่าตัววัสดว่ามีสิ่งกระทบข้างนอกแล้วทําให้เราโกร๋ะเนี่ยเรามีความเอยากทางเมตตาเราไปเราไม่เฉยนะเราอยากใช่ไหอาจารย์มันก็เกิดจากความอยากพอไม่ได้ดังใจอยากมันก็โกร๋ะความอยากก็เกิดจากความหนุนว่าไม่เห็นว่าเขาเป็นตายรังนั่นเองเหมือนถ้าเราเห็นไม่ถ้าเราเห็นไม่ตายรังแล้วความอยากความโกร๋มันก็จะไม่เกิดยตาม และสมมติถ้าเราพลาดมันโกรธที่มันแล้วอ่ะแสดงว่าเราเราหลงว่าไงเราไม่เห็นแล้วก็เป็นตาแล้วเราไม่เห็นแล้วก็ไปในจันทุกทางก็นัดตาแล้วเราก็รับผลว่าเราก็ต้องทุกข์เพรความโกรธเราก็ทุกข์ไปพอได้สติเราเราก็ปล่อยได้เราก็หยุดหยุดความอยากได้มันก็หายโกรธอ่าบางทีถ้าเราโกรธพอเราแค่เรารู้อีกครั้งว่าไม่มีอารมณ์โกรธแล้วเราก็ก็เฉลยกับอารมณ์นั้นอืก็จะไม่มีชุบอีกครานิมใช่ไหมคะ ก็จะอยากให้ใจสงบนั่นแหละการปฏิบัติกาเพื่อไม่ให้มทุกข์ไม่ว่ากับกับอะไรทั้งสิ้นไม่ให้ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆที่เกิดในจิตเข้าใจนะคะอาจารย์ขอบคุณใจย่างสูงค่ะจะพยายามปฏิบัติให้มากอ่าสาธุเจ้าทุก่อ่าคุณปุ้ยรักเสมอเชิญ กรรมนำ้ำมาสการการพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีค่ะจะมาถวายบุญกับพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าปฏิบัติ เ, เหมือนเดิมค่ะเือศีลเจ็ดครึ่งแล้วก็ตอนเย็นหลังห้าโมงหรือศีลแปดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกวันพอยมสวดมนต์อ่ะเชา้าสวดสองชั่วโมงเย็นสวดสองาชาั่วโมงพระอาจารย์อืโยมก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่า จะมีวันโกนกับวันพักที่แบบยมเป็นไรไม่รู้นั่งแล้วมันก็แบบว่าพอเราสวดมนต์แล้วมันแบบตามันหลับแล้วมันเหมือนกับเราหลับหแต่ปากมันยังท่องท่องท่อท อ, อยู่อย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วเรารู้ตัวด้วยว่าเนี่ยเราท่องชินแล้วมันช็อเราท่องผิดเราก็ย้อมมาท่องใหม่อย่างเงี้ยมันเหมือนผีสิงอ่ะอาจารย์แต่ยมก็ไม่มีปัญหาล่ะคะ่ะไม่เป็นไรครับใช่ แล้วโยมก็ไปเดินเพราะว่าโยมกลัวผีในบ้านโยมไม่เดินจงกรมในบ้านโยมโยมออกไปเดินกลางวันโยมออกไปเดินแบบเหมือนกับที่พระอาจารย์สอนให้เดินจงกรมแต่ว่าโยมเดินแล้วโยมก็สวดใช้บทสวดสวดมนต์อ่ะสวดไปสวดไปเรื่อยๆเลยสวดเดินไปเป็นเป็นกิโลเลยแล้วก็เดินกลับแล้วก็สวดแล้วก็แผ่บุญอืมโยมก็ทำได้แบบสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ ตอนพยมจะตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่สี่สามครึ่งเลยตอนเนี้ยพยมต้องกินยาแก้แพ้ด้วยผมก็เลยไม่ได้นอนเยอะแต่ยมก็ไม่ได้ว่าเบียแต่แบบบางทีอย่างเมื่อวันอาทิตย์อะยมนั่งฟังพิธีการฟังฟังไปแบบรู้สึกตัวเองหลับ <c oughs> <c oughs> กลับเามายมฟังเสียงพิธีการย์แล้วยมหลับ <c oughs> แต่มันก็ไม่มีอะไรอ่ะคะเดี๋ยสบายดีค่ะโอเคขอให้สบายไปเรื่อยๆนะให้ศพให้สบาย ให้เราไปรวยไปเรื่อยๆนะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะาสาธุจ้โยมถวายบุญกับพระอาจารย์ค่ะและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์เอ้ยพระอาจารย์โยมลืมอีกอย่างเดียวสําคัญมากเลยคือคือโยมพลาดไปอย่างหนึ่งคือโยมอะลืมวันวันตายอคุณลุงของโยมซึ่งซึ่งเขาตายตอนน้าท่วมและแก่ๆมากแล้วและโยมก็ ไม่รู้ว่าแกตายวันไหนแล้วโยมก็ลืมทําบุญให้แกแต่ว่ายโยมสวดมนต์อ่ะแห่บุญอ่ะทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นอย่างเงี้ยคือคือไม่ทราบว่าท่านจะได้หรือเปล่าครับอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราขึ้นบุญเนี่พระเจ้าบอกให้ทําทานทำในการทำทานเป็การทิฐิบุญไม่ใช่ใช้การสวดมนต์ไปเป็นการทิฐิบุญเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าเราจะต้องไปทําทานแต่บุโยมก็ทำทานทุกอาทิตย์นะ ต้องกันตั้งไปทำทานมันต้องทําเป็นเป็นเจาะจงไม่ใช่ทําแล้วก็มาย้อนหลังว่าเออต้องทเจาะจงต้องทำเจาะจงเลยใช่ไหมเจาะจงเราจะทำให้จกนก็ไปใส่บาตรเลยแล้บริจาคเัินให้กับวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็อุทิศไปเลยได้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่อุทิศว่าเคยทําบุญมาเท่าไหร่ก็ขออุทิศบุญนี่ให้กับเขาเพราะนั้นบุญเก่ามันหมดไปแล้วไม่เกี่ยวนะต้องเอาบุญใหม่ อ๋อต้องบุญใหม่โอเคโยมเข้าใจแล้วค่ะขอขอให้ขอประกาศขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอขอขอให้โยมเป็นบุตรที่รักของพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะอาหายบุตรถ้าเป็นบวตก็ต้องบวตรนะไม่เป็นบุตรบุตรกันย์ก่อนพราจารมันยากตรงไหนข้างนอกมันมีอะไรก็กนหัวท่านเอง อใหแม่จ okay, okay. ันธาตุฝันแข็งแรงนะคะที่คุณจารินทอนบอกเมื่อคุณจารินทอนได้ข่าวบอกที่มอว่าที่มอใครอยู่ไม่ไกลเลยค่ะพระจานทร์กลับวัสดากันก่อนค่ะอยู่ใกล้ๆที่ทํางานโยมเลยค่ะอแล้วก็ใกล้ๆกันโยมด้วยไม่นไม่น่าคาดฝันเนีไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็เคย้าเกล้าสภาทงนั้นหรือเปล่าเออโยมไม่แน่ใจอาจจะเคยค่ะแต่ว่าเห็นนะเห็นแน่เพราะว่า ก่อนหน้านี้เวลาที่โยมไปทางเหนือไปเพนซิลเวเนียหรือว่านิวยอร์กก็จะต้องผ่านฝั่งหนึ่งเนี่ยจะต้องเข้าทางนั้นแต่ถ้าโยมอยู่ในบ้านปัจจุบันเนี่ยก็คือสามารถทะลุอุโมงใต้น้ําลงไปได้อะคะอ่ะแล้วก็ตั้งขึ้นเขาสร้างสะพานนี้ขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอุโมง์ที่บอกว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยไม่สามารถรองรับเอความต้องการถนนมันน้อยไปอย่างนี้นะคะก็เลยตัดถนนเส้นนี้ขึ้นมาเพื่อเข้าจากจุดเนี้ย จากบัลติมอร์เคาน์ตี้ไปอีกจุดหนึ่งแต่ที่ทำงานโยมเนี่ยอยู่ไปทางไปทางอีสะคะ่ะมันก็จะไปติดกับพวกแม่น้าฝั่งอนาบอลิสมันก็จะออกท่าเรืออะไรมากกว่าแต่ตัวบ้านโยมจริงๆเนี่ยมันจะเทบเข้ามาในในข้างในมากกว่าเป็นในอินแลนด์มากกว่าก็เลยไม่โดนที่กระทบก็คงเป็นพวกคอนเทนเนอร์ที่ของเขาสั่งเข้ามาเห็นบอกว่า ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเคลียร์ของเหล่านั้นได้แล้วก็คือไม่มีไม่มีถนนนะค่ะคืออย่างโยมเนี่ยโยมทํางานทางด้านเกี่ยวกับอาหารมันก็จะต้องมีการอินพุตสินค้าเข้ามาก็มีคนที่เป็นซัพพลายเออร์ของโยมเขาก็ติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ของเมื่อไหร่เพราะว่ากว่าจะได้เคลียร์ของแล้วพอร์ตก็ตอนนี้พอร์ตก็ทํางานไม่สามารถติดต่อได้ทํางานอะไรไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง สินค้ามันการขนส่งสินค้ามันหยุดชะงักไปแล้วน่ะค่ะใช่ค่ะ<ม>ก็ที่น่าเสียใจก็คือคนที่ตกลงไปแล้วเสียชีวิตก็บอกว่ามีหกคนแต่ทั้งหกคนนี่ก็เป็นเป็นฮิสแนิกทั้งหกคนเลยนะคะเท<ม>่าที่ข่าวมาค่ะยมก็ฟังเราก็ตกใจก็เป็นข่าวใหญ่แล้วยมก็มไปเข้าออฟฟิศเมื่อวานนี้ถามเขาว่ามีคนในออฟฟิศปลอดภัยทุกคนไหมเพราะว่า บางคนก็อาจจะอยู่ในแอร์เรียนนั้นแอร์เรียนนั้นมันอยู่ใกล้ที่ทํางานโยมากกว่าก็ไม่มีใครเป็นอะไรทุกคนก็ปลอดภัยค่ะออ่านอ่แหละคือความตายมันมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะไม่มีอะไรแน่นอนเลยชักอย่างค่ะขับรถอยู่ก็อาจจะล่วงลงไปอาจจะเสียชีวิตแบบไม่รู้ตัว่ะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะอาจารย์ค่ะยมก็ไปทำเมื่อว่าทําความดีให้มองว่างไว้ ค่ะโยมก็จะตั้งใจโยมไปปฏิบัติธรรมมาสามวันถือศีลแปดอ่าพอใส่ชุดขาวปุ๊บนี่เหมือนมันมีกำลังขึ้นมาทันทีเลยครับอาจารย์มีสติขึ้นใส่เครื่องแบบเลยะใเครื่องแบบแต่ <c oughs> พอใส่เครื่องแบบปุ๊บรู้ตัวเลยว่าไม่ได้แล้วเราจะ <c oughs> เล่น <c oughs> เล่นไม่ได้แล้วเรามีชุด <c oughs> ประจำตัวแล้วอย่างเงี้ยคะ <c oughs> ่ะก็ทานอาหารมันก็ไม่หิวเลย เออยังไงก็ไม่อยากกินไม่อยากกินไม่หิวท้องไม่ร้องอปฏิบัติก็รู้ตัวตลอดเวลาเอแล้วตอนที่ไปเนี่ยพระอาจารย์ท่านมาจากฟลอริดาค่ะท่านก็เหมือนกับจะเปิดโครงการธรรมะสัญจรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เหมือนกับพยายามที่จะเปิดโครงการให้กับต่างวัดต่างๆเพื่อที่จะได้ให้ผู้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นท่านก็สอนทางด้านปริยัติเยอะมาก พยายามอัดความรู้ทางด้านปริยัติแล้วก็ให้ผู้มาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปเองในในระหว่างที่ท่านสอนยมก็ตอนแรกวันแรกยังไม่ทราบก็นั่งฟังเราก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราพอจะมีความรู้ที่ท่านอาจารย์สอนมาเป็นเรื่องๆแล้วเหมือนกับอันนี้มันเป็นแผนที่เขาก็จะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเรียงกันแล้วก็พระอาจารย์ที่มาสอนท่านก็พูดเล่นว่า พอจบคอสามวันเนี่ยจะต้องมีอริยบุคคลแล้วนะเพราะเพราะว่าเข้าไปถึงวิปัสสนาแล้ ว, ลวเราก็เราก็ดังฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ก็พอทาเสร็จล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนทานอาหารก็เอาอาหารมารวมกันหมดเอาขนมมารวมกับอาหารคาวเงี้ยค่ะ mm hmm. อยอมก็กินขนมยำโลพร้อมกับแกงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ รสชาติมันก็ไม่ได้ความเลยค่ะอาจารย์ ก, กินเอ่อต้งเก็บเป็นงานทุกคนแล้เฉพาะเราคนเดียวหนูก็หนูก็ตักของหนูเองอะคะ่ะแล้วก็ของไก่ของมันก็ตักทุกอย่างไว้ในจานเดียวกันนะคะแล้วก็ผ <c oughs> สมผสมกันทาน <c oughs> แล้วพอ <c oughs> ทานเข้าไปเราก็รู้สึกว่ามันรสชาติมันไม่ไหวจริงๆมันแต่ก็ต้องทานเพราะว่าก่อนที่จะทานเราก็พิจารณาอาหารก่อนว่าเราไม่ได้ทานเพื่อความลุ่มหลงโมงมัน ความอร่อยเราทานเพื่อให้เรามีกำลังเท่านั้นเองนะคบพอคิดอย่างนี้ปุ๊บมันก็มันก็ทาได้ทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์นัำก็ไม่ต้องยาม่ต้องไปทานยาค่ะก็ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็มีสติพอกลับมาก็ยังมีสติพอออกจากที่วัดมารู้สึกว่ามันเบามันสบายมันรู้สึกว่าโลกนี้มันสดใสสวยงามมันดูดีทุกอย่างเลยค่ะปล่อยวางได้เยอะไม่มีอะไรกังวล ไม่มีอะไรมากระทบเลยเอ uh, ค่ะการปฏิบัติมันก็เองเนี่ยควรจะไปไปบ่อยๆค่นจะไปตรการื่องพลังใ้กับจิตใจเรารู้สึกเลยค่ะว่าการปฏิบัติที่บ้านที่เราคิดว่าเราทําเ อ, อ่อวันละสามชั่วโมงอย่างเงี้ย น, นะคะ<ม>เราก็คิดว่าเราพอไหวแล้วแต่พอไปปฏิบัติอย่างนั้นออกมาเรารู้สึกว่ามันเทียบกันไม่ได้มไม่ได้เลยเราอยู่ที่นั่นแล้วถึงแม้เราอาจจะไม่ได้สติหลอดในใจของเราเราคิดว่าเราจําได้ทำร้อยเปอร์เซ็นหรือสติไม่ครบร้อยเปอร์ แต่พออกมาแล้วรู้ว่าเออมันดีขึ้นกกดีขึ้นว่าที่เราคิดมากมากๆากนะคะพี่ก็ต่อค่ะค่ะก็ประมาณเนี้ยถ้ามีโอกาสก็ทําต่อไปข้างหน้าถ้ามีจัดเองก็ไปเองนะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะก็รู้สึกดีมากค่ะครับก็ขอบคุณมีท่านอาจารย์ขออาจารย์ทักแทงค่ะไปที่คุณแม่กับคุณป้าเชิน ครับปราศนมรสการครับพระอาจารย์ครับสบายดีนะสบายดีครับพระอาจารย์ปฏยวไว้ปฏิบัติทุกวันอยู่ค่ะพระอาจารย์อืตื่นเช้ามาก็จะอ่านข้อความธรรมที่พระอาจารย์ปิยสุโภเนตาโพสต์ของพระอาจารย์นะคะในไลน์ค่ะอืแล้วก็จะต้องเก็บเก็บข้อความนั้นไว้ก่อนค่ะอ่านอ่านทุกวันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ไปปฏิบัติตอนเช้าค่ะอืม ดีมากดีมากครับก็พยายามเจริญสติระหว่างวันครับพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวไว้เสาร์นี้ไปกับาวกลาพระอาจารย์ที่หน้ากุฏิครับว่าจะไปฟังธรรมครับพระอาจารย์ไปกับเพี่อนค่ะยนดี้นครับครับครับครับไปนีเลยครับครับไปที่คุณประนอมอยู่ที่เซเรียมใช่ไเซเรีมออริจนใช่ไหมครับกพาระอารเจ้าคอยู่เซเรมออรินเจ้าค่ะหลวงพ่อ เป็นยังไงค่ะปฏิบัติต่อเนื่องสุขทุกเวลาเจ้าค่ะหลวงพอ่อมีมากระทบบ้างแต่ก็เอ่อวางใจเป็นอุเบกขาค่ะอืมีมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะลูก เ, เข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะหลวงพอ่อไม่ะไมไมีก็ขอผ่านไปต่อเลยนะเวลาใกล้มหมดแล้วแบบน้ำส ก, การเจ้ า, าค่ะแบบขนุกตาชนเมล็ มีอะไรหรือเปล่านมาสการค่ะพรอาจารย์วันนี้ไม่มคําถามค่ะเอมากลับฟับงมาตลอดเลยนะตั้งแต่ต้นเลยนะแต่วันนี้ได้อะไรเยอะเลยค่ะโอเคดีจะเห็นไปที่เป็นกลางว่าอะไรต่อปรับมาสการเจร้าค่ะอาจารย์เมื่อวานนี้วันเกิดแฟนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้วันเกิดหนูแต่ว่าสิ่งที่ปฏิบัติก็คือทําให้มันเป็นปกติ เมื่อวานนี้หนูก็ได้ใช้วันลาค่ะไปทำธุรกิจเอ่อไปทาธุระก็คือไปทาต่อใบขับขี่แล้วก็ถือโอกาสไปหาที่ปีกวิเวค่ะ ส, สลับจากวัดไปฝั่งมิหันเซียนค่ะแล้วก็ขึ้นไปนั่งสมาธิด้านบนก็ก็ไปลองดูค่ะเพราะว่าลูกนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีแล้วก็ไปลองดูว่ารับกลัวหรือเปล่านั่งสมาธิได้ดีค่ะก็ได้ที่นั่งสมาธิเพิ่มอีกที่หนึง่งค่ะส่วนตอนเช้า อ่าใส่บาทพระตามเสร็จแล้วค่ะมีเวลาเหลือเฟือเยอะค่ะก็เลยไม่ไม่รีบเข้าที่ทำงานค่ะขับรถผ่านตรงวัดนาจัมเทียนครับจะมีวิหารพระเจ้าตาที่เป็นอาคารไม้ก็ไม่ค่อย ม, อยมีไม่ค่อยมีคนเข้าไปเหมือนกันค่ะก็ใช้วิธี น, ะนั่งนั่งสมาธิตำเช้าก่อนที่จะไปทำงานอือฏิบัติอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะนีมีเวลาเก็บแตสส้มไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมแต้มไปเรื่อยๆหนูรอบก็สวว่า เดี๋ยวถ้าเรียบร้อยแล้วหนูก็จะได้ปรับเส้นทางด่วนค่ะพระว่าคนจะกลับค่ะทุกคุณสุปฏิเชคุณสุเชอยู่กรทมเลยค่ะทามการพระอาจารย์ครับอยู่กรุงเทพครับผมก็มาเข้าประกาดพระอาจารย์ครับแล้วก็ยังคงปฏิบัติต่อเมืองครับพระอาจารย์ครับผมครับผมไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ ไปสิงคุณนัทคุณหมอน้าทวชน่ารักจังน่ารักครับช่วงนี้ก็มีเรื่องวุ่นวุ่นิดหน่อยครับแต่ว่าอืโรคก็ดูจะหนักแต่ว่าเราก็ทําไปถักโลกครับแโลกกาเังวุ่นวายเนอใช่ครับใช่ครับจำที่พอาจารย์เทพตอนให้หมอพิเชษตอนต้นนะครับว่าก็ ขีเล็ดครอบงำก็เอ้ทาไอ้สร้างความเดือดร้อนโดยไม่ที่อ่าให้คนอื่นโดยที่จะเอาผลประโยชน์ของเขาครับแต่ ว, ว่าเราก็มาดูในใจของเราครับในทางโลกเราก็ทําเป็นปกติแต่ว่าในใจของเราเราก็มาดูว่าเออก็าเทุกข์แต่ว่ามันก็เหมือนจิตมันมีทางออกเหมือนกันก็จําไอริยสัจว่าเออทุกนะข์กําหนดรู้แล้วก็หาเหตุแห่งทุกขนะ์ว่าเพราะอะไรแล้วก็ แต่หลังก็ดําเนินอย่างที่พระอาจารสอนขับมาร์กแล้วจนในทุกมาเกิดจะความคิดเรายุดความคิดได้อยู่กับตัวรู้มันก็สงบสงบแล้วก็ให้ฉับปัญญาตักมันก็หาทางออกกันก็มันก็ไม่ค่อยไปมามันก็เลยไม่ค่อยกวนจบแล้วกลายกลายเป็นสุขไปได้เพราะว่าเมื่อก่อนเอามาร์กเราเจริญไม่เยอะสติสมาธิเราแต่ว่าโชคนี้เราเจริญเยอะมันก็เลยเหมือนกับเมื่อวานนั่งสมาธิก็เเข้าไปลึกไปที่ที่เคยเข้าไปครับมก็เลยทําให้เหมือนกับเอ สบายก็ถ้ามีความสุขมีไอ้ความสงบของเรามันก็แต่มันก็ไม่ร0อยเอร์เ็นตครับมันก็ยังมีบางทีมากวนเราได้บางนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าอยู่ในสมาธิอ <staying> ย <Allah> ู่ในจิตที i i ่เราสงบแล้วก็ก็ก็ปล่อยวางทุกอย่างได้คนับได้พยายามปฏิบัติเรื่อยๆนะถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติไป ครับเราก็มั่นใจในเอซีของเราที่ไม่อาดีตครบถ้วนนะฮะในก็กุศลที่เราสร้างครับรอเข้ามาได้ได้ทีอ่าทําจิตให้มันสงสัยก็มันก็ไม่มีทุกมันก็เลยเหมือนกับอยู่ข้างนอกไม่มาเข้ามาข <c oughs> ้างในแต่ว่าไอหน้าที่ที่ต้องทําก็ทําไปในสัติ์กับนะครับขอบขอบคุณพระอาจารย์ที่สอนครับมันก็ทําให้ทุกมันเข้ามาไม่เห็นแต่ว่ามันก็มีเหมือนมีทางทางอขอกมันจะ ใจมันมีทางที่มันถูดอกไปได้ครับถ้ามีมากก็มันก็จะมีทางออกครับแต่ปฏิบัติมากให้มากให้มากๆศีลสมาธิปัญญานะัศีลเราครบอยู่แล้วนะี่ยเราก็รู้ว่าไม่ไม่สร้างความเดือดร้อนในใครให้นั้นแล้วก็ใจมันก็สงบอยู่ละนี่ส่วนะนั้นะแล้วก็อ่าในแง่ของสติที่หยุดความคิดแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็ทําให้ ทำใทุกอย่างนี่ก็ทุกอย่างเป็นลายลักเป็นใช่ครับผมก็เลยมองแบบนั่งนั่งนั่งสมาธิเข้มาบ้ามองเออมันก็มือนเราอยู่ในโลกมันต้องเดินผ่านกองขี้กองอะไรแล้วเดินไปอาจจะเพื่อนบ้างแต่ว่าเราไม่มีมีอะไรมันก็มันก็ผ่านไปเองครับเราอย่าไปเล่นขี้นะมันผ่านไปนะใช่ครับเราไม่ยกเราแค่านแต่ถ้าเราบริสุทธิ์มันก็ไม่มีปัญหาอไป็นเรื่องของโลกของเขาโลกโลกโลกมันเป็นอย่างเงี้ยก็ก็ได้เห็นเห็น เห็นอีกสุงอีกมุมหนึ่งเหมือนกันครัเพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยมีความทุกข์มีอะไรแต่ว่ามันก็เห็นเออโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ของมันนะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยมันจริงอย่างนี้นอกมันก็บุญนอกบุญรูทันโลกนูทันโลกโลกเป็นอย่างเงี้ครับฮะมันก็เป็นอย่างนี้ของมันอ่าครับฮะอ่อยวางอย่าไปพยายามปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกจะทุกข์จะไปแบบโลกครับอะครับมันเปลี่ยนเราถึงก็ให้เราเราเปลี่ยนตัวเราคนเดียวก็พอใช่ครับใช่ครับ โอเคนะคุณหมอเดีย๋ยวไปต่ออีกสองท่านคุณตายรัตยาวันนี้เป็นยังไงอยู่ถึ้งเดึกเลยนะตับมาแล้วคะ่ะผ้าจานตอนแรกว่าจะนอนแล้วแต่คิดไปคิดมาอุ้ยกิเลสจะหลอกไว้ให้เรามาฟังคำแน่แน่เลยก็เลยหมุนเข้ามาดิค่ะแต่ก็รอฟังคำอยู่ข้างนอกเอาไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรค่ะผ้าจานมารายงานตัวว่ากลับมาแล้วค่ะ ไปไหนมาเลยก็ไปทําบุญที่ที่บ้านเชียงใหม่ไงคะพระอาจารย์เรียบร้อยดีค่ะเรียบร้อยดีค่ะสามงานก็เป็นแม่งานตลอดเหนื่อยกลับมาก็รู้สึกว่าเห็นบุญเห็นบุญเลยค่ะแต่ก็มีการเต้นแรงเต้นกางเหมือนกันนะพระอาจารย์ก็ธรรมดาทําโลกก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนจัดงานหนูเป็นคนแบบ พารถพารถแห่มาให้ที่บ้านอะไรเงี้ยหนูก็เลยว่าเออทำไหนไหนก็ทําเต็มที่ละแต่หนูก็ไม่ได้ดื่มนะคะออแต่ก็แบบสนุกล่วมไปกับเขาได้ทุกคนเราก็บอกตัวเราเองว่าเออไหนไหนก็ทําแล้วทําให้แบบอย่าให้งานมันจืดชืดเพราะว่าถ้าไม่งานถ้าไม่งานก่อยแล้วเดี๋ยวงานมันจะก่อยหนูก็เลยใส่เต็มที่ของหนูเป็นการลาพากักร้อนีดีทำให้คนหน่งก็มีความสุขค่ะ จะผ่านไปด้วยดีเลยคะ่ะพระอาจารย์อไปที่คุณจ yeah. yeah, าจาโพลเล่นแบบนามสกันค่ะพระอาจารย์ยรพระอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้หนูมีคําถามเรื่องอคําว่าทางสายกลางค่ะพระอาจารย์ <ừ> คือ <ừ> ตอนที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของทางสายกลางจริงๆแล้วคือท่านหมายถึงอ่ การที่เราไม่เบียดปันสัวัคคีที่แบบเบียดเบียนตนอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะคือเหมือนไม่คือทางทางดับทุกคนก่อนที่ผู้เจ้าจะพบทางสายกลางนี่ก็มีสองรูปแบบเนี่สุดโตมไปทางด้านกางใช้กลาร ม, มาบมาเป็นเครื่องดับความทุกข์เช่นคนที่เที่ยวกินดื่มเพื่ออะเพื่อจะดับความไม่สบายใจต่างๆอัน<ฆ>นี้ก็ไม่ใช่เป็นทางดับทุกที่ถาวรมันดับได้ชั่วคราว ส่วนในพวกนี้ก็เป็นพวกนักบวชก็คิดว่าการดับความทุกข์นี้ต้องด้วยการทรมานาานั่งกายของตนเองด้วยวิธีการต่างๆเพราถ้าเราทรมานแล้วมันจะทำให้เราไม่ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆมันก็ยังดับความทุกข์ไม่ได้อ๋อโอเคค่ะทีนี้ถ้าทางมาพบทางสายการคือทางระหว่างสองทางนี้ทางแห่งมารแปดนี่คือทางสายการ อืมโอเคค่ะทีนี้การที่เราคารวะอย่างเราเอาคำว่าทางสายกลางมาใช้ในแง่ที่ว่ า, าวันนี้เราอาจจะทำงานทำหน้าที่ของเราแล้วพแล้ ว, ลวบางวันเราก็ไปทางธรรมบ้างอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นทางสายกลางในในฐานะคารวะได้ไหมคะก็เบื้องต้นเราเรยังไม่สามารถทำได้ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็ค่อยๆเจยบค่อยๆพัฒนาไปไมาเริ่มเรียนหนังสือ ก็เริ่มอยู่กระดาบอนุบาลไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นไปอใช่เริ่มต้นอาจจะคือทำทานรักษาสี่ห้าแล้วก็นั่งสมาธิเช้าเย็ยนอะไรอย่างงี้ยฟังเทศฟังธรรมบ้างตามโอกาสนี้แล้วต่อไปก็เริ่มทําเพิ่มในวันพระอะไรอย่างเงี้ยจากเปลี่ยนจากสี่ห้าเราเป็นสิบแปดในวันพระแล้วปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นทั้งวันทั้งคืนอะ่างเงี มันก็ยังเป็นทางสายกลางอยู่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราทาทำทา ท, ทางโลกทางานแล้วมาทานี้มันมันเป็นเรื่องที่เราแบ่งเวลาเวลาทางานทางโลกก็ทำไปเพราะมันเป็นหน้าที่เราจะต้องทามากินเลี้ยงปากเลี้ยงาาท้องก็ทาไปแต่ไม่ใช่เป็นทางสายกลางทางสายกลางก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาอ๋อโอเคค่ะการอันคือการแบ่งเวลาไม่ใช่การทางสายกลางใช่ แต่การปฏิบัติทานสิ่งภาวนาะเนี่ยเป็นทางสายกลางเพียงแต่ว่ า, าจะปฏิบัติได้มากได้น้อยเท่านี้อือโอเคเข้าใจแล้วค่ะหนูห น, หนึกว่าเหมือนเราหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าว่าแบบเฟอบางวันเราก็ทําแต่งานเราบางวันเราก็เอามานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงอะไร อ, อย่างเงี้ยแล้วเราก็หาว่าเออนี่แะไรเราเดินทางสายกลางอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหยอันนั้นที่เราแบ่งเวลาเราก็ทําทางทางสายกลางคือทางสิ่งภาวนาะไป ได้มากได้น้อยก็ก็ะทานั้นก็อยู่ที่เราทํามากทําน้อยโ okay, อเคเข้าใจแล้วค่ะโอเค <Okay, S 1> ครับคุณ ถ, ถ้าเราไม่ถ้าเราวันไหนไม่ได้ทําทางศีลภาวนาวันนั้นเราก็ไม่ได้ปฏิบัติทางสายกลางนั่นเนองอโอเคค่ะถ้าวันไหนเราได้ทําทานนั้รักษาศีลนั้งภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เราเราก็ได้ทําทางสายกลางไปแต่ว่าจะเข้มข้นมากน้อยก็คือหมายความว่าอยู่ที่กที่ทํามากทําน้อย ค่ะนั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงกับนางสมาธิสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่มันก็ต่างกันซ้ายกลางที่หนักกับเบาต่างกันได้มีเป็นน้ำหนักของการปฏิบัติโอเคเข้าใจแล้วค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์มีทมิเนี้าสาธุอนนี้ก็ไปที่คุณลาต่อกราบ น, บนมัสการคพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะคําถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมันนสการพระอาจารย์ครับ ถ้าคนเราทําผิดแล้วสํานึกผิดและเปลี่ยนแปลงตนเองสามารถลบล้างความผิดที่กระทําไปแล้วได้หรือไม่มีวิธีใดที่จะล้างบาปที่ตนกระทําไปได้แล้วหรือไม่ครับออบาปทําเวลาวที่ล้างไม่ได้นะแต่มีวิธีที่จะทําให้บาปนี้ชะลอการสสแสดงผลได้ด้วยการทําความดีให้มากกว่าบาปที่เราได้ทําไว้แล้วถึงเวลาที่ บาปไม่บุญจ ะ, สะแสดงผลบุญมันมีกำลังมากกว่าบุญก็จ ะ, สะแสดงผลก่อนบาปก็ต้องรอไว้ก่อนรอจนกว่าบุญจะมีกำลังมอย ก, อกว่าบาปบาปถึงจ ะ, สะแสดงผลได้คำถามสุดท้ายจากคุณอูกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะปัจจุบันพยายามฝึกตัวเองไม่ให้สแสดงความโกรธออกมาเวลามีอารมณ์โกรธแต่เห็นอารมณ์โกรธภายในและอยากระบายออกมา ต้องแก้ไขอย่างไรจึงไม่ให้มีอารมณ์ขุนมัวภายในคะถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุทโธพุทสติยับยัง้งมันได้แต่ถ้ามันยังไม่เกิดต้องการป้องกันไม่ให้มันเกิดล้วก็ต้องไปที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากต่างอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธนี่เราต้องฝึกวิญญาลดละความอยากในสิ่งตา่าง การใช้ความสันโดษมั่งน้อยสันโดษมาเป็นตัวแก้ได้ยินดีตามมีตามเกิดนวิจัยก็จะไม่โกรธได้มากก็ไม่ได้มากมมาก็ไม่โกรธได้น้อยก็ไม่โกรธเพราะว่าเรายินดีได้มากก็ได้ได้น้อยก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้มากแล้วเราไม่ได้มากเราก็จะโกรธได้เพราะต้องฝึกถ้าต้องการจะแก้เรื่องของความโกรธก็คือเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือความอยากต่างๆ ลดความอยากลงให้น้อยลงไปความโกรธก็จะน้อยลงไปถัญหหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสนหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเทออ้